ตัตสสะภควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตั้งสรสรนังกัจฉามิธรรมัง ส, ส, สรรนังคัจฉามิสังขังสรรนังกัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรรนังคัจฉามิ ทุติยมปิธรรมมังสรนังกัจฉามิทุติยมปิสังขังสรนังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสรนังกัจฉามิ ติยมปิธรรมังสรนังขจามิติยมปิสังขังสรนังขจามิติดสรนักเขมร낭นิติตังอ่าเจริญธรรมทุกคน วันนี้วันที่สองสิงหาคม2557แล้วผ่านไปเมือนโกหกไวเมือนโกหกปุบปับปุบปับเราได้บรรยายพุทธชีวศิลป์กันล่าสุดวันล่าสุดวันที่23 23าสามกรกฎาคมมาถึงวันนี้วันที่สองไปแล้ว อาทิตย์กวกว่านะ่ก็จะได้เวียนวนมาถึงอีกทีหรือม่อยังปฏิจจสมุปบาทที่เราจะไล่เรียงไปเรื่อยๆนะแต่ปฏิจสมุปบาทในเราไล่ไปไเรื่อยๆแล้วอาตมาก็จะเจาะให้เป็นร้อยมาลายเพิ่มไปได้เรื่อยๆด้วยอาตมามั่นใจนะ ฟังไปเถอะตามระดับเดี๋ยวเวียนมาวนมาเจาะเข้าไปอีกร้อยมาไราให้มันละเอียดก็ไปเอวดอกเล็กดอกน้อยดอกใหญ่เข้ามาสอดซ่อนเข้าไปอีกอ่าจะได้เห็นว่าธรรมะพระเจ้าเนี่โอ้โหพิสดารชอนชัยเข้าไปจนกระทั่งถึงที่สุดที่สิ้นเลย่สมบูรณ์แบบเลยอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร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 ชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโศกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสกความทุกโศกร่ำไร้ก็มีด้วยประกาศชนีด้วยอวิชาเป็นตัวตั้งเป็นปัจจัยของสิ่งทั้งมวลน่ะเปะ็นเริ่มต้นเลยพระเจ้าท่านบอกว่าจะต้องมารู้ เนะพราะอวิชชาเป็นปจัจจัยเราต้องแก้อวิชชาของเราให้มันเป็นปัจจวิชามความรู้เราก็ค่เรียนรู้เรียนรู้มันก็จะค่อยๆเป็นวิชารู้ ร, รูอะไรรู้สังขารนะอาวิชชาคือมันไม่รู้ว่ามนุษย์ทั้งหลายแหละมไม่รู้มันก็ไม่รู้สังขารมันเป็นปัจจัยเพราะอวิชชามันโง่มันจึงไม่รู้สังขารเป็นยังไงสังขารมันจะปรุงจะแต่งยังไงมันจะอามีกิเลสมาผสมประเสริญยังไงมันจะมีอํานาจยังไงไม่รู้ทั้งนั้น มันก็โขกก็สับเราไปตามประสาคิดดูสิคุณไม่เคยได้เรียนแต่ก่อนนี้มันเป็นอย่างงั้น่ะทุกคนที่ไม่ได้เรียนไมไ่รู้ปล่อยปลาละเลยเป็นอยู่อย่างงั้น่ะพอเรามาเรียนรู้เข้ามาถึงกรทั้งถึงวันนี้แล้วในนานเราเรียนมาถึงวันนี้เราจะเข้าใจและเห็นได้ว่าโอ้โหรื่งเข้าใจสภาวะจริงโอ้โห น, นี่เรารู้ถูกมันเล่นงานมากี่ เท่าไรอายุแต่ละคนแต่ละคนหลายสิบปีนะโอ้เราถูกอาวิชาของเราเองเนี่ยเป็นปัจจัยให้เราไม่รู้จักสังขารสังขารมันก็ปรุงแต่งไปตามอํานาจกิเลสเพราะกว่าจะเราจะรู้ตัวแรกแค่สังขารคนในโลกไม่ได้ศึกษาไม่ได้เอาภาระแม้แต่คนที่เขาศึกษานะพวกนักศึกษาเขาศึกษาเขาได้แต่บัญญัติเขาไม่ได้ นึกอ่านก็ไปไปเห็นสภาวะจริงเป็นยังไงก็เข้าใจนะท่องได้ท่องพยัญชนะท่องหลักท่องสูตรอะไรได้หมดเข้าใจมันโยงใยกันท่องพี่ดีดดเลยจำแม่นไม่ผิดพลาดไปตกล่ได้วยนะแต่เขายังไม่เข้าถึงสภาวะบางคนพวกเราในจำพยัญชนะจำไม่ค่ยได้หรอกเรียงตัวไม่ค่อถูกเท่าไหร่แต่ว่าเรารู้ละสภาวะมัน พอมันโง่มันจึงไปไม่รู้ไอสิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวพอเป็นเรื่องเป็นราวนี่แล้วเสร็จมันก็รวมตัวเป็นดินญาณปรุงแต่งเสร็จมันเป็นญาณสาเร็จเสร็จมันก็เป็นญาณมันจะเป็นวิญญาณสําเร็จพับเป็นผีที่ได้อาหารโตขึ้นหรือได้เสพไม่เป็นผีแร้วเป็นเทวดาหลอกเทวดาเทศโตขึ้นก็เป็นยังงั้นนะคนอ่ะมันไม่เป็นเทวดามันก็เป็นผี แล้ิตมนุษยเนี่นอย่างนั้นเท่านั้นเองอ่ามันไม่รู้จะไปรู้อะไรว่าอยากมาปรุงแต่งให้มันได้อ ร, อร่อยสุขสบายอ้าวได้เทวดาเท็จก็อ้วนปี่ขึ้นมาสั่งสมจําไว้ในอนุสัยโอ้ยต้องได้อย่างงี้ต้องเป็นอย่างงี้อย่าพร่องอย่ า, าตอนนี้ขอพักยกอีกหน่อยจะต้องเอาให้ได้อย่างนี้อีกถ้าไม่ได้อย่างงี้อีกไม่ได้นะอะไรเนี่มันก็ฝังลงไปในอนุสัยอยู่ตลอดเวลา เห็นไหมว่าคนเรามันโง่ขนาดไหนนะมันโง่ขนาดไหนมันโง่มานานับชาติเป็นอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ก็จองเวียนจองกรรมอยู่นั่นแหละถ้าเผือว่าอยากได้มากๆมากๆไม่ได้สมใจไม่ยอมไม่ยอมก็ดิ้นลนเอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้เหมือนทักษิณเนี่ยโอ้ไม่ยอมแพ้ไม่เป็นอไม่ยอมไม่ยอมทั้งนั้นเล่น หาเลีเล่ยมหาวิธีหลอกลวงซับซ้อนเหมือนบอกว่าหลอกด้วยนะโกหกด้วยนะว่าฉันหยุดแล้วฉันมแมวได้ฉันวางมือแต่จริงๆมัไม่ได้วางเลยหาเรื่องพวกจะทำหนักกว่าเก่าร้ายกว่าเก่าเรียกว่าเพิดเพลินให้ได้เลวร้ายหนักหนาขอให้ชนะอย่างเดียวอะไรงนี้เป็นต้นเขาไม่รู้ตัวเราบอกเขาจองเวรจองกรรมเขาหาเรื่องหาราวเขาใส่กิเลสเขาไปอีกเท่าไหร่เขาไม่รู้ตัวอไม่รู้เรื่อง นั่นคือสังขารเพราะเมื่อไม่รู้สังขารมันก็บานออเป็นวิญญาณผีวิญญาณเทวดาเทศไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าถึงตั้งต้นตั้งหลักไม่ให้เรียนรู้นามรูปเข้าไปเรียนรู้นามรูปถอยไปสักหน่อยหนึ่งอวิชชาข้อ17บพระตตย์บิรกเดิมส6บ ข้อสิเ็ดนี่ยก็วิชาเป็นชนไหนความไม่รู้ทุกไม่รู้ในเหตุที่เกิดแห่งทุกความไม่รู้ในความดับทุกความไม่รู้ในปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับทุกขนี่เรียกว่าอาวิชาก็เพราะอาวิชาจึงเป็นปัจจัยวิชาเป็นปจนะัจจัยเนี่ยจึงมีสังขารพอสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณมีนามรูปมีอายตนะมีปัสสามีเวทนามันมีเป็นธรรมชาติแต่คนไม่ได้เรียนเนี่ย ก็ไม่รู้ว่ามันมีเสียงเหล่านี้แม้เรียนมาแล้วเราปฏติไม่มีชื่อเรียนรู้ภาษาเอาไปปะใส่ว่านามรูปมันคืออะไรจากวิญญาณแนละ้วบางทีเราพูดมาถึงว่าพอมันปรุงแต่งเพลศมันก็เป็นวิญญาณผีวิญญาณเทวดาหลอกสั่งสมไว้ในอนุสัยของเราต่อไปเราก็ไม่รู้นะเมื่อมาเรียนรู้ว่าเอ๊เราต้องรู้วิญญาณนี้ได้นะอาการมันมาจมอยู่ที่วิญญาณนี่แหละเป็นตัวต้น อาการเป็นตัวต้นสังขารนั่นก็วิญญาณเพราะต้องเรียนรู้วิญญาณวิญญาณเกิดจากอะไรวิญญาณเกิดจากทวารหวิญญาณเกิดจากทวารหกวิญญาณหนี่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าวิญญาณจักขุวิญญาณโซตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณ นี่เรียกว่าวิญญาณพระศาสนาพระเจ้านั้นต้องเรียนรู้ต้องอ่านต้องมีตาทิพย์เห็นวิญญาณเมื่อภัสสะเป็นปัจจัยเนี่ยอธิบายล่วงหน้าไปจะไปถึงโน้นตอนที่มีภัสสะเป็นปัจจัยอยู่ในข้อตั้ ง, งนนาไลโนะแน่ถึงจะมีภัสสะเป็นปัจจัยแล้วก็ถึงจะเรีนรู้รู้จักพวกนี้พระั้รเมื่อเราสามารถ อานนามมารูปเป็นแล้วนามมารูปที่จะอ่านเป็นเนี่ยท่านแยกเอาไว้ว่า น, นามเป็นยังไงรูปเป็นยังไงฟังตรงนี้ให้ชัดเลยนะท่านตรัสไว้อย่างนี้ข้อ14บนสะีวิญญาณ น, นี่วิญญาณหรู้หมดแล้วนามวิญญาณหกตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณจากทวารหทีนี้ข้อสิบส่ท่านบอกว่านามมารูปเป็นไหนเวทนาสัญญา อันนี้มีอยู่ในขันใช่เวทนาสัญญาส่วนเจตนาผัสสะมนสิการนี่ไม่มีอยู่ในขันแต่รวมแล้วไอ้พวกนี้เป็นนามเป็นวิญญาณแน่นอนทั้งห้าเนี่ยเวทนามีสัญญามีโดยเดิมพวกเจตสิกหลักส่วนสังขารม่แจกออกเป็นผัสสะ เจตนาผัสสะและมณสิการนี่นามอย่างนี้คือนามที่นี้รูปคืออะไรรูปคือมหาพุตธรูปสี่และอุปาทายรูปอีกสอ้ไม่ใช่อุปาทายรูปอีกยิบสมหาพุธรูปสแล้วก็รูปที่อาศัยมหาพุตธรูปสี่รูปที่อาศัยมหาพุตธรูป ท่านแปลนะในพระธรรมโองกท่านแปลแต่อยู่ในพระธริมโการท่านไม่ได้แจกว่าที่อาศัยเร า, าใช้ภาษาบาลีเลยว่าอุปาทาอุปาเายารูปังอุปาทายารูปังอุปาทาเยรูปังนะจตุนะท่านเรียกจตุ น, นออันสกนันสะสตุนันสะมหาภูมหาภูตนังอุปาทาเยรูปังคือ รูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่จตุเนี่ยจตุนันทะเนี่ยอาศัยสีนี่เรียกว่ารูปมหาภูตรูปกับอุปาทายรูปอีกทั้งหมดย4บอาศัยกันแลยกันยีบสี่รวมเป็น28สบดสรุปแรกก็คือรูป28บปดนั่นแหละส่วนนามมีห้าเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมณสิการ อย่างนี้รวมแล้วเนี่ยรูปดังพนามาชนีและเรียกว่านามรูปเพราะคําันว่านามรูปแบ่งนามก็อย่างนั้นแบกรูปก็อย่างนั้นพอแบ่งมาแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าอ้ยังงจัดไปอยู่นามอย่างนี้จัดมาอยู่รูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ถูกรู้โดยญาณของเรานะรูปที่ถูกรู้โดยญาณของเรา ตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องลึกมากเลยแม้แต่ในพระไตรปิฎกนี่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้อธิบายตรงนี้เลยคือรูปที่ถูกรู้นี่นะอาตมาก็พูดมาหลายทีแล้วนะถ้ารู ป, ป ร, รูปคือรูปคือร่างของมันเนี่ยเป็นมหาภูตรูปของมันเองเลยไม่เกี่ยวกับนามธรรมาก็ไปเกี่ยวมันก็ปรุงกันเป็นขวดเป็นดินเป็นหิน เป็นน้มเป็นลมเป็นไฟมันก็ปรุงมันเป็นเป็นธาตุสี่หรือเป็นสังขารรรูปเป็นสังกตสังกตธรรมที่มันปรุงแต่งอย่างนี้เป็นขวดเป็นก้อนก้อนหินอ่าเป็นถุงเป็นอะไรในพวกนี้พวกนี้นามันมันมันไม่มีรูปโอ้ขอไปมันไม่มีนามมันเป็นรูปรูปมันเป็นเป็นรูปรูปรูปรูปพวกนี้เนี่ยถ้าเราไปเรียกมันว่ารูปกาย สแสดงว่ามีคนไปเกี่ยวข้องกับมันมีคนไปเกี่ยวข้องกับไอ้รูปนี้นี่เป็นรูปรูปพอมีคนไปเกี่ยวข้องมีธาตุรู้เข้าไปร่วมก็เป็นรูปกายรูปกายรูปกายแต่ถ้าไม่มีคนไปเกี่ยวข้องเรียกมันว่ารูปรูปเรียกมันว่ารูปะรูป ทีนี้มีสองอันแล้วนะรู ป, ป ร, รูปรูปกายทีนี้เมื่อมีรู ป, ปรกายคนสัมผัสรูปกายก็เนื่องเข้ามาหาในจากสัมผัสนอกอยู่เข้ามาหาในในก็รับรู้อยู่ข้างในเป็นกายในกายเป็นองค์ประชุมอยู่ในจิตเลยทีนี้กายในกายเป็น นามมารูปแท้ๆเป็นนามมารูปที่เข้าไปรู้และรู้ในในข้างในเลยเป็นกายในองค์ประชุมนั้นเข้าไปกายนี้แปลว่าองค์ประชุมมันก็ ป, ประชุมอยู่ข้างในจะเห็นเป็นรูปร่างนี่ก็รูปร่างแต่เห็นเป็นรูปร่างกดตามนามมารรมมันขาดไหมขาดไหมไม่ขาดนามมารมต้องไม่ขาดถ้าขาด มักลายเป็นรูป ร, รปูหลุดออกไปเลยหลุดออกไปเลยขาดเป็นรูป ร, รูปออกไปเลยอ่ไม่ขาดเป็นกายแล้วก็ไม่ขาดเพราะฉะนั้นพิจารณาท่านอ่านกายในกายนะกายในกายนี้ย่อมมีนามมาทำอยู่ในนั้นทีนี้เวลาพิจารณาเราก็ต้องพิจารณานามมาทำของมันเป็นตัวหลัก ไม่ใช่ประพิจรารณากายเห็นกายมันเห็นรูปร่างขวดก็ทนนั้นแต่ขวดนี่เห็นนี่แล้วนี่คุณเกิดนามมาทํำยังไงทังมันชอบมันชื่นใจไม่ชื่นใจเห็นแล้วเกิดเศร้าเห็นแล้วเกิดรื่นเรองบักบันเทิงใจนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละทีนี้ ต้องอ่านเวทนาอารมณ์อารมณ์อมชอบหรืออารมณ์ชังจากกายจากนามนี่แหละว่จาจะตามมารูปนี่แหละอ่านไปอิจใจไปพิจารณาไปเมื่อพิจารณาเห็นอาการแล้วอาการชอบอาการชังก็เรียกได้ว่าเป็นเวทนาเรียกได้ว่าเป็นอารมณ์เป็นเวทนาฟังดีๆนะตอนนี้กำลังถ่ายหนังชาร้อยห้าสิบ เฟรมต่อนาทีเอ้ยต่อวินาทีห้ารห้าสิบเฟรมต่อวินาทีละชาก็ไปเห็นเป็นอารมณ์เป็นอาการเราก็พิจารณาซ้อนลงไปอีกในเวทนานี่มันตัวเรื่องจิตมันจิตนะและในเวทนาเนี่ยมันมีอะไรเป็นตัวปรุงแต่งอยู่มันมีอะไรเป็นตัวเหตุที่มันให้ชื่นใจหรือไม่ชื่นใจตัวชอบหรือไม่ชอบ ตัวไหนเ่ยตัวไหนอาการตัวนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราให้มันเสพมันก็เกิดทันทีชอบหรือไม่ชอบมันตัดสินปุ๊บแต่เราไม่ให้มันเสพไม่ให้มันดูไม่ให้มันริมรถถ้าเผื่อว่านี่มันไม่ได้แตะไอ้ดูนี่มันไม่เกิดมันไม่มันยากเพราะว่าไปตัดก็คือตัดตาไม่ให้ดูเลยก็ได้ดูแล้วชอบใจเออไม่ไม่ดูต้องพยายามอย่าไปดูมันมันจะเห็นอารมณ์นินละ ถ้ามันจบใจมันอยากดูดิ้นละไม่ให้มันดูก็ดิ้นละใช่ไหมก็ดิ่นอยากดูถ้าได้ดูมันก็เสพเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ผีอารมณ์เทวดาปลอมมันไม่จะมันมันก็ชื่นใจมันไม่ไม่เรียกผีเรียกอารมณ์เทวดาปลอมเทวดาเท็จเพราะในเหตุของอารมณ์นั่นอะ เราพิจารณาจนกระทั่งเราหาวิธีรู้ตัวมันอยากตัวมันต้องการคือตัวเจตนาเวทนาสัญญาสัญญาเป็นตัวกําหนดรู้ต้องทํางานสัญญาเป็นตัวกําหนดรู้ต้องทํางานฟังให้ดีนะนามาทํำมีเวทนาสัญญาเจตนาจะได้รู้ตัวนี้เจตนานี่คือมโนสัญเจตนาหามนมโนสเจตนาหานี่อ่พูดล่วงหน้าได้มันมีตันหามโนสญเจตนาหาน มีนามีนต tamam. <ification> ัญหากรมกาาตัญหาภาวะตัญหาบิ๊กภาวะตัญหานั่นสามตัญหาเพราะว่าไอตัวนี้แน่นอนมันยังไม่เฉพาะวะตัญหาหรอกมันกามาตัญหาแน่นอนมันอยู่ในภพนอกตาหูจมูกลิ้นกายมันอยู่ในภพนอกเป็นกามาวจรแน่นอนเราก็จะรู้ตัวมันเลยแม่ที่สุดไอคำว่ากามาวจรเนี่ยขาพูดแค่นั้นน่ะ แต่จริงๆมันก็มีพยาบาทด้วยการมาบาจอรเป็นตัวเหตุและพยาบาทก็เป็นตัวเหตุก็มันไม่ชอบอะ่ะมันก็ชังเพราะมันต้นทางมันตัวโทสะมูลมันไม่ใช่ราคะมูลเราไปเจอตัวจริงเข้าตัวนั้นแหละคือจิตในจิตในเวทนานั้นมีจิต อยู่ในนั้นเป็นตัวปรุงแต่งอยู่ร่วมมันเนื่องมาเรื่อยๆกายเวทนาจิตเพราะงั้นเขาอธิบายกันสติปัฏฐานสี่แยกกันเลยน่ะเป็นนักหั่นศพเลยกายหั่นไปกระป๋องหนึ่งเวทนาหั่นไปกระป๋องหนึ่งจิตหั่นไปอีกระป๋องหนึ่งธรรมะหั่นไปอีกระป๋องหนึ่งเลยแล้วไปโยนทิ้งคนละทิศเลยแล้วมันจะไปเรียนรู้อะไร <N un> มันไม่ได้ขาดอะไรกั น, นเป็นองค์รวมเป็นองค์ประกอบในขณะที่อาตมาอธิบายเป็นตัวตั ว, ต, ว, ต, วตัวนี้มันคือกายทั้งนั้นกายสังขารกายในกายเวทนาจิตธรรมมันเป็นกายสังขารมันเป็นองค์ประชุมของสังขารธรรมก้อนนี้ทั้งหมดเลยมันปรุงแต่งกันอยู่ทั้งหมดเลยเพาราะกายสังขารคือก้อนปรุงแต่งนี่เขาเรียกว่ากายสังขารถ้ารวมเรียกอีกเต็มๆก็เรียกมันว่า กายวิญญาณนี่แหละ ว, วิญญาณรวมทั้งหมดนี่มันอยู่ตรงนี้เลยวิญญาณมันรวมทั้งหมดเนี่ยถ้าไปเรียกกายสังขารก็ไปเรียกเหมือนกับลักษณะนี้คือลักษณะ kinetic energy คือพลังงานจนพลังงานทำงานปรุงแต่งถ้าเราไปเรียกว่ากายวิญญาณมันเหมือนพลังงานมันเป็นพลังงาน potential energy เป็นพลังงานศักพ์พลังงาน ชื่อมันรวมรวมไว้สดอาการที่มันทำงานนั่นคือเจรณะบทบาทที่มันปรุงแต่งกันอยูอ่เมื่อเราจับตัวมันได้ทอนนี้ว่าไอ้นีนาเนียสราคะหรือสโทสะจับได้แล้วจิตจิตในจิตตัวนี้นี่นี่นี่นนั่นคือสมุทัยตัวการ คุณก็จัดการกับมันเสียในขณะที่คุณรู้ที่อตัตมาอธิบายนีย่คือนามมารูปทั้งนั้นเป็นนามมารมของทั้งเวทนาของทั้งตัวปรุงแต่งเป็นตัณหาแล้วเป็นจิตในจิตแล้วนี่เป็นนามมาทำอยู่ในนี้ทั้งนั้นแหละมันทำหน้าที่ของมันอยู่ก็เกิดอยู่ในขณะนี้มีอายตนะมีตากระทบรูปอยู่แล้วก็เกิดเรื่องนี้หรือมีหูกระทบเสียงอยู่ก็เกิดเรื่องนี้ มีจมูกกระทบกลิ่นอยู่ก็เกิดเรื่องนี้อยู่ลิ้นกระทบรสก็เกิดเรื่องนี้อยู่เป็นนิทานเป็นเรื่องราวเป็นกระ บ, บวนการทั้งหมดที่มันปรุงแต่งกันอยูอ่เมื่อเรารู้ตัวมันแล้วมันผัดสักอยู่มันมีอายตนะอยู่และมันก็เกิดเวทนา ให้เราได้อ่านตั้งแต่มันเป็นเวทนาแล้วมันปรุงแต่งก็พรามันเป็นปัจจัยกากาลการมาถึงเวทนาตอนจนขณะนี้เรากําลังอ่านตัณหาตัวตัณหาที่ตัวเหตุของมันกําลังอ่านออกกําลังรู้และอัตมาขยายไว้แล้วอธิบายไปมากแล้วว่าถ้าตัญหาเนี่ยมันกบดานอยู่มันก็เป็นอุปทานถ้ามันเคลื่อนตัวขึ้นมาไปเคนติกเคนยิย เป็นพลังงานจนพลังงานเจลณนะมันก็เรียกว่าตันหาถ้ามันทักยกกบดานอยู่ก็เรียกมันว่าพลังงานศักด์เป็น Potential energy มันก็เป็นอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าที่เราก็คือกำจัดตัวตันหานี่นี่สมุทัยอริยสัจเมื่อกำจัดตัวนี้ได้คุณก็คือคุณทำงานเป็นม น, นะสิ การเป็นเพราะฉะนั้นเจตนาผัดสะมณสิการตอนนี้แหละคุณจะเป็นหรือไม่เป็นจะโยนิโซมณสิการหรือว่าอโยนิโซกันว่าถ้าคุณอโยนิโซมณสิการคุณก็ทําการจัดการกับไอเจ้ากิเลสนี่ไม่ได้หรือไม่ทําแต่ถ้าคุณทําได้ คุณก็เป็นโยนิโสมนัสิกา ร, รากิรลเลสก็ฝ่อลงกิเลสก็ฝ่อลงผลสำเร็จคุณก็จะเห็นว่ามันฝ่อจางคลายหรือไม่จางคลายโดวยวิธีพิจารณาจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาอะไรก็แล้วแต่คุณพิจารณาไปจงก็ตั้งเกิดญาณเกิดอุทัพยานุปส น, าานัญาณหรือเห็นตั้งแต่นามรูปกบ พูดแล้วว่าเห็นนามรูปปัจจะยแยกออกแล้วปั จ, จัยเหตุปั จ, จัยต่างๆปัจจะ ป, ปฏิคหายานะสมรสัญญาณมันก็วนปรุงแต่งกันอยู่นี่วนเวียนอยู่นี่สมสนญญาณจนเห็นมีญาณลึกซึ้งขึ้นไปเป็นอุทธภยาตุปสนาญาณญาณที่เห็นว่ามันก็วนเวียนอย่างนี่ว่าถ้ามันจบลงมันก็เดี๋ยวก็หายไปพักไปนานมันไปสู่จบพักนะไม่ใช่มันอยู่เที่ยงนานนะ มันจะเสพรสรูปกินเสียงสัมผัสมีสวรรค์ยังไงสวรรค์ก็หายไปไปหาสวรรค์ใหม่หรือไปหานรกใหม่อันนี้ก็พักยกไปหาสวรรค์ใหม่ไปหานรกใหม่ไปวนเวียไปหาเสร็จแล้วมันก็จะมาเป็นอย่างนี้มาลงที่ตรงนี้มาลงที่ตรงจบสมใจหรือไม่สมใจคุณก็มาจบตรงมันก็จะวนเวียอย่างเงี้ยจนมีพังคานุปสนาญาญานที่เห็นความ ถลายไปในชัดขึ้นมากขึ้นซึ้งขึ้นอ่ะโอ้โหมันเป็นเรื่องที่จะเอามันไว้ไม่ได้เลยมันก็วนอยู่เงี้มันก็หลงแหลงหลงแหลงนี้มันไม่ใช่ตัวจริงมันไม่ใช่ของสัเทียนจะตั้งอยู่เทาวรอะไรมันไม่ใช่ยาน้ควรจะเกิดความเข้าใจเข้าใจสูงขึ้นสูงขึ้นจนเห็นว่าเออถัดคืนเราจะมาไล่ไอ้ตัวที่มันไม่มันก็มาหลอกเราวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปเสร็จแล้วมันก็หายไป แล้วเราก็ไตามตัวใหม่เปลี่ยนไปเดี๋ยวมาหาตัวเก่านี้อีกมันก็หลอกเราอีกหมุนเวียนอย่างงี้แล้วหลอกว่าจะเอ๋สุกไหมจ๊ะสู้แล้วมันก็พักไปอีกเที่ยงมาจะเอ๋สุกอีกทีไหมจ๊ะแต่นานๆบางทีก็นานๆทีบางทีก็บ่อยๆแล้วแต่คุณจะสแสวงหาคุณจะเหน็ดเหนื่อยคุณจะติดใจมันมากบางจะอยู่แค่นี้ลิเกพวกเนี้ก็เห็นความยรนงญาณที่จะเห็นรู้ทันว่าเออถ้าเราจะมา คอยแต่มาคิดว่าไอตัวนี้เป็นของหน้าได้นามีหน้าเป็นหน้าเสพจะต้องได้เสพอันนี้มันต้งจะเป็นชีวิตชีวาต้องจะเกิดอยู่เป็นมนุษย์ถ้าหลุดลอยไปแล้วถ้าไม่มีซะแล้วมันไม่ได้เป็นมนุษย์มนาอะไรกับเขาเราก็คิดถึงสิหลายอย่างที่เราไม่มีเหมือนอย่างเขาเขาเรียกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เช่นเราไม่มีอํานาจในสังคมประเทศเราก็ไม่เห็นจะตกต่ําอะไรเราก็ทําความดีเกตประเทศชาติได้เต็มที่ เราไม่ต้องมีเพชรไม่ต้องมีพลอยคนก็มีเพชรมีพลอยอุ้ยก็สูงเหลือเกินเราก็ไม่เห็นต้องไปทิศยาเขาว่าเราไม่มีเพชรอย่างนั้นไม่มีพลอยอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องสุขเราก็ไม่เห็นจะต้องไปทิศยาอะไรเขาล้วก็ไม่เห็นมีอะไรก็ไอ้ที่เราไปติดอยู่นี่ถ้าเราไม่มีมั่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะชักดินชะงอตายไหมแล้วมันก็ไอเหมือนที่เราไม่มีพวกนั้นอ่ะมันก็ไม่เห็นเป็นไร แล้วก็ใครควรเปรียบเทียบพิจารณาไปมันมีความจําเป็นนักหรือที่จ้องไปลงทุนรงแรงเลิกมันจะดีกว่าไหมถ้าคุณเห็นว่าโอ้โหตายตายตา ย, ตายนี่เราไปเสียเวลาเสียแรงงานเสียทุนรอนกับมันไร้สาระไปทำเราทําเพื่ออะไรเสพแล้วเพื่ออะไรไปสัมผัสเราเพื่ออะไรเสพรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสเสพกลามมรมเป็นรสกามมารมณเท่านั้นออียาญาที่เห็นเป็นไย พยะตูปฐานในยานไอยาไอยาไอยายา น, าาายานตัวนี้มันจะเกิดความเข้าใจของคุณมันจะเข้าใจเห็นอย่างนั้นจริงๆมันเกิดเห็นเป็นภัยของวัตฏสงสารนี้โอ้ถ้าเราจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่อีกนานับชาติในกี่ชาตินอหนีน้นอถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางเกิดมีชาติหน้าก็เป็นอย่างนี้อีกี่บวงแต่งให้ประทับใจครับอีกบุงไปอีกกี่ประทับใจกรับอีกอกี่ชาตินาชาตินะา ต, นะตายตายตาย นักเข้าจัดจ้านเขาก็ต้องแย่นต้องชิงต้องา่าต้องแกงต้องสารพัดอีกเป็นนิยายของมหาจักรวาลนี้มานับไม่ถ้วนคุณเห็นพยะตุปทานญาณเกิดญาณที่เกรงชักโลรกไม่เอาแล้วทีนี้ก็จะชัดขึ้นเป็นอาทีนวานุปัสนาญาณเห็นโทษมันเป็นโทษนอกจากจะกลัวทนี้ไอ้นี่มันมันทำลายเรามากีกชาติ มันจะมีความฉลาดที่นึกซึ้งขึ้นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยจนเห็นโทษมันชัดเห็นภัยเห็นโทษมันชัดเลยอ่าไม่เอาแล้วนิพพานุปัชนาญานไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพอไม่เอาตัว น, นี้ก็ถึงขีดนึงก็มุนจิตุกมยตายานปล่อยวางแล้วไม่เอาแล้วปล่อย มันวางด้วยปัญญาเห็น ไ, ไหมวางด้วยความเฉลียวฉลาดวางด้วยความรอบรู้ไม่ได้วางด้วยความกดข่มไม่ได้วางด้วยความกดดันอะไรเลยมันเป็นวิปัสนาธุระมันไม่ใช่มันไม่ใช่สมรรถธุระเลยมันไม่ใช่การกดข็ไม่ใช่วิคัมนปนาปหานเลยมันเป็นวิปัสนาแท้ๆมันเป็นฌานเป็นไฟฌาน เป็นกำลังพลังปัญญาแท้ๆเลยอมันไม่ได้ร้อนเมือนกับแมกองไฟที่จุดขึ้นมาพันองศาห้าพันองศาแล้วก็มาสลายกันไม่ใช่แต่มันมีฤทธิ์มีอำนาจมันมีเหตุมันมีเดชมีเดชมีฤทธิ์มีเดชทำให้นี่คลายจางปล่อยเลิกออกไปมันถึงวิปัสสนาญาณที่หกนี่มันถึงรอบปล่อยวางแล้ว สวนวิปัสนาญาณอีกสาที่ครบวิปัสนาญาณเก้านั่นก็ทำซ้ำทำทวนทำอีกมา ป, ป, ป, ปฏิสังขารุไม่ใช่สังขารุเปขายานั่นอีกอันนึงอันนี้ ป, ปฏิ ป ต, ตานุปัสนาไม่ใช่ปฏิสังขานุปัสนาญานปฏิสังขาก็คือทำมันอีกสังขารมันอีกนะนะั่นแหละปฏิทวนอีกซ้าแล้วซ้าเราอีกปฏิสังขานุปัสนา ญ, ญานทำอย่างที่เราทําได้มาหกยานนั่นแหละหรือที่เราผัดสะที่เราพิจารณามาทั้งหมดนั่นแหละมาอีกทำอีกเราก็จะทําไปไปก็จะสั่งสมอเนชาพิสังขาร มันจะสั่งสมมาเนีชาพิสังขารคือจะเกิดสังขารอุเบกขายานมันจะเกิดอุเบกขานี้มีคุณสมบัติสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้ น, นจะต่อสังขารสังขารที่เราจะปรุงมันเองก็ตามหรือปรุงร่วมกับคนอื่นข้างนอ ก, ข, นอกอนข้างนอกอื่นมาปรุงเรามาพยายามจะทำจะยวชวนเราปรุงชวนเราปรุงให้เรา หากิเลสไปปรุงร่วมมันอ่าสังขารุปเปกข้ายานมันก็จะแข็งแรงขึ้นปฏิสุทธาประโยชธาตามุทุกรมมัญญาปภัสราเนี่ยความบริสุทธิ์ปริโยชนาตาก็ยิ่งผุดผ่องยิ่งแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นคุณสมบัติของมุทุภูตธาตุของจิตก็ยิ่งแก่งขึ้นไวขึ้นเร็วขึ้นปฏิพานความรู้ทางปัญญาก็ว่องไวขึ้นตัวจิตเองเจโตก็ ได้เปลี่ยนแนง ย, ยืดจุนได้เร็วขึ้นยืดยู่นได้มากขึ้นก็เป็นประสิทธิภาพของจิตอินยานที่เก่งที่ยิ่งใหญ่ที่สา ม, มารถมีสมรรถนะมีทักษะสูงเอาไปทำงานกรรมยัตุกรรมยตาญากรร ม, ย ต, รมยตาญในกรรม ย, ยุทธนกรร ม, มยากรร ม, มยามันก็จะเป็นท่านแปลว่าการงานอันเหมาะวรการงาน ม, มันก็ยิ่งดีด้วย พลังงานแห่งยานปัจจัยแห่งยานที่ลึกซึ้งนี้ทำได้ทั้งสี่อันนี้จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นเมื่อจเจริญขึ้นเท่าไราความประพัดสอนยิ่งสว่างพองใสผุดพองประพัตสอนยิ่งกวาววามพองไสขึ้นพองใสขึ้นไม่มีหมองลงเลยมีแต่สว่างขึ้นโชดช่วงชัชวาลขึ้น นี่คือคุณสมบัติอีกห้ายานของอุเบกขาที่ซ่อนลึกอยู่ในนี่ไม่มีใครสามารถเดาเอาเองได้คิดเอาเองได้ไม่มีถ้าไม่มีสูตรนี้ผู้จัดสิรู้แล้วเอามาเปิดเผยเอามาอธิบายไรยเดียงเอาไว้แล้วก็ค่อยเข้าใจแล้วเราก็มาตามสภาวะที่มันจะเกิดอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ ถ้าคุณไม่มีความรู้คุณก็ไม่รู้ความก้าวหน้าคุณไม่รู้อะไรเจริญอะไรไม่เจริญอะไรคืออะไรไม่รู้แต่นี่รู้มันหมดเลยเมื่อเข้าใจเป็นพยัญชนะเป็นความหมายแล้วไปปฏิบัติให้มันได้เลยคุณจะชัดเจนมันไม่สับสนมันจะเรียบเรียงมันจะเป็นขั้นตอนมันจะเป็นเหตุปัจจัยนี่อันนี้มหานี่อันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้นี้ม่มามันชัดเจนหมดเลยอ่า เพราะฉะนั้นคุณก็จะยิ่งเก่งสังขารุปเปขาญาเก่งขึ้นเท่าไรอุเบขาเก่งขึ้นเท่าไรสังขารต่อสังขารคุณก็อนุโลมสังขารเขาได้มากขึ้นสัจจานุโลมิกยานยานที่9้าของมิปสัสสนาญาณก็ยิ่งจะอนุโลมได้อนุโลมปฏิโลมได้โดยไม่เสแสร้งโดยไม่ไปทั้งหลอกลวงใครทําเพื่อผู้อื่นทั้งนั้นตัวเองไม่ได้มานั่งแอบเลียเสพ จะว่ามาเอาอะไรอย่างนี้ไม่มีตัวเราเลยเราไม่เกี่ยวมีพลังงานเพื่อผู้อื่นทั้งนั้นเลยเพราะงั้นเราทำได้ถึง9ญายานนี่แหละ ย, ยานอีกต่อไปต่อจากยานยานนี้เก้าบวกสามเป็นเท่าไหร่เป็นสิบสองสองไปอีกสี่ยานเป็นสิบกเนี่ยมขยานโคตรภูยานพักยานพลายานนักปัจเจกขณะยานอีก4ี่อันเนี่ย เพราะงั้นเมื่อคุณทำได้เก่งในสมบูรณ์โคตรตรภูยานยานตัดโคตรนั่นคือยานที่สั่งสมมาแล้วได้เต็มรอบเต็มรอบคุณก็ตัดโคตรทั้งสัตสัตรนรกสัตวเทวดาสัตวโลกีตัดโคตรแล้วก ำ, ำจัดประหาร ตายแงแกะเอาหัวใจมาฉีกทิ้งหมดแล้วมันตายจริงมันตายจริงตัดโตรจากนั้นผลญาณมรรคญาณผลญาณอีก ตัวต่อไปต่อไปมอคคายานตัวหนึ่งพยยงลเรียนอีกตัวหนึ่งคุณก็ทบทวนดูผมมอคคายานพลเรียเออเราปฏิบัติมายังไงมักก็คือทางปฏิบัติวิธีปฏิบัติเราปฏิบัติมายัางไงทบทวนดูโอ้ได้ผลยังไงได้ผลตั้งแต่ผลมันได้บางไม่ได้บางย่อตั้งมันแข็งแรงก่อตั้งมันเก่งย่อตั้งมันเป็นสมุทเฉตะปะหานเป็นปสติปสติปะหานเป็นนิสรณ ะ, ะปะหานโอ้ ทุกอย่างมันไม่ได้มาหลอกเราเลยมันของจริงนะแต่คุณเองคุณทำได้แค่ไหนคุณก็เห็นของคุณจริงไปเรื่อยเลยมันของจริงแท้ๆไม่มีหลอกไม่ใครหลอกใครไม่ได้มันยังไม่ชัดมันยังไม่จริงคุณก็ต้องรู้ขคุณว่ามันยังไม่จริงมันยังไม่ชัดจริงแล้วรู้ไม่ชัดหรือว่ามันยังไม่จริงเท่าไหร่แต่เราหลงว่ามันชัดไอ้นี่ระวังเดอะ ไม่จริงเท่าไหร่ล้รีบหลงว่ามันชัดหลงว่ามันจริงเนี่ยอันนี้มันระมัด ร, ระวังเพราะงั้นต้องเผื่อพอไว้ว่าเอ๊ะมันจะจริงหรือเปล่าเอามันชัดชจนกินแต่มันเกินชัดน่นมันเกินชัดเลยก็ปัจจเวคขณะยานก็คือทบทวนแล้วทบทวนอีกสุดท้ายส่งท้ายเลยตัวทั้มรรยาณทั้งพลรยาณทั้งแถวเลย แต่แตนามาลูปะปริเชตยานปัจจยปริกาหายาณสมัสนญาณอุปะยะตูปทานญาณปังคานุปัสนาญาณพยตูปทานญาณอาทีนวานุปัสนาญาณ น, นิพพิธานุปัสนาญาณจนกระทั่งวางเลยมุนจิตตูมัจจญาณแล้วก็ถึงไหล่ปฏิสังขานุปัสนาญาณสังขารูเปขายานปฏิสัจานโรมิกายานจนตัดโคตร โคตรภูญานมัคคยานผลยา น, ยานปัจเวคนะยานใครเข้าใจภาพเรียงไว้พยายามจําพยัญชนะให้ได้นิดหน่อยท่านไม่ต้องท่องแล้วมันเรียงไว้เลยเพราะเราไล่มันตามสภาวะเราไม่ได้ไล่ตามพ ย, ยัญชนะเป็นแต่เพียงจําพยัญชนะไม่ผิดท่านเองเป็นภาษาเป็นยังไงถ้ามันจํายังไม่แม่นอย่างอัตมานอบปฏิสังข า, า, านุปเสนยานนึ่งขอ ง, ของแต่ก่อนนี้อุทัพูยานุปัสนายานโอ้โหพูดนานกว่าจะพูดได้กว่าจะคล่องปาก เพ <c oughs> ระาะฉะนั้นเมื่อสามารถรู้นามารูปชัดไล่เลียงออกไปได้อย่างนี้ปั๊บแลก็กำจัดกิเลสได้อย่างนี้แล้วสมุดไทยตัณหาดับฟังต่อตรงนี้ดีๆผัสสะยังมีอยู่ไหมนี่อยู่แต่ตัณหามันดับแล้วเหตุมันดับแล้วตัณหามันดับแล้วนะเวทนามีอยู่ไหม มีอยู่อารมณ์มีอยู่แต่เป็นอารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาไงเป็นอารมณ์วางกลางแล้วเป็นฐานนิพพานแล้วพัฒนก็ยังมีอยู่อายตนะก็ยังมีอยู่นามารูปก็ยังมีอยู่ยังเห็นนามารูปต่างๆอยู่วิญญาณก็เห็นอยู่วิญญาณสะอาดอยู่สังขาร ฟังดีๆถึงมื่อถึงสังขารเนี่ยตอนนี้เราเราได้ทํางานปฏิบัติจนกระทั่งมันดับมันเลิกมันหมดมันดับคือนิโรดนีน่โรดเนี่ยท่านกระถามว่าไอ้สังขารทั้งหลายในยกายสังขารจิตปัจจีสังขารจิตสังขารอะไรมันดับก่อนเมื่อเกิดนิโรธอะไรมันดับก่อนเออฟังดีๆนะตอนเนี้ย พอเราเรียนเอเดเวนซ์จริงๆนะเนี่ยเรียนขนาดระดับอรหัตหตะมักนะเนี่ยนี่อรหัตตะมักนะจะเป็นอรหัตผลนะเนี่ยนิโรธในอะไรมันดับก่อนถ้าเราเข้าใจคำว่ากายสังขารไม่ถูกเอาสมมุติหลับตาหลับตาเข้าไปแล้วคุณมีนิโรธคุณมีกายไหมไม่มีไม่รู้เรื่องอะไรเลย กายก็ไม่มีนามก็ไม่มีไม่มีอะไรดับปีดับปีไม่รู้เรื่องเป็นสันยีสัตว์คุณจะรู้ไหมว่าอะไรดับก่อนอะไรดับหลังไม่มีทางรู้เรื่องไม่มีจักขุไม่มียานไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีแสงสว่างมืดดำอย่างนั้นเป็นสุปกินหะสุภาษนี่ก็คือโชคดีที่คุณจะต้องการอย่างนี้แล้วคุณก็ได้อย่างนี้ คุณต้องการเป็นอสัญยีสัตว์คุณก็ได้อสัญยาสัตว์ก็เป็นโชคของคุณสิ่งที่น่าพึงได้เป็นสิ่งที่น่าพึงได้คุณก็ได้มันจะถึงไปสุภะแต่คุณได้อะไรได้นรโรดกินนาหะได้ความดำกินนาหะแปละว่าดำอัตมาแปละว่าดำปีดำมืดอยู่งั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปตอบเลยว่าคุณจะอะไรดับก่อนไม่ดับหลังอะไรคุณไม่รู้เรื่อง แต่นี่ตอบได้ทีนี้เขาตอบไม่ได้เราในสังขารในองค์ประชุมของการทำงานอันนี้ก็คือสังกปะสังกปะเจ็ดตะกัวิตะกัสังกป ะ, ก ะ, ก ะ, กปะอัปนาพญปนาเจตสุพอั ป, ปนาวจีสังขารเพราะเมื่อเกิดขบวนการนี้ทำงานจนมันเสร็จตรงนี้เราดักกิเลสแล้วผ่านตัวอั ป, ปนาพย ป, ปนาไปอีก มันยังจะรอเอาเถิดอยู่ว่ามันจะดลาบประลวงไหมมันจะมีแพมบ้างไหมจนกระทั่งไปถึงเป็นวจีสังขารปลาเสจากทุกอย่างแล้วนี่แหละคือมันดับวจีสังขารดับสังขารดับนะสังขารดับเขาเรียกว่าดีแหละสังขารดับเพราะฉะนั้นมาทวนปฏิสมุบาสนะ ชาติดับพบดับอุปทานดับตัณหารับนี่พูดเต็มที่นะแต่ที่จริงมันไม่ดับเมื่อกี้ทัวรในีฟังแล้วชาติมันดับนะพบมันดับนะอุปาทานมันก็ดับนะแต่ตัณหามไม่ดับตัณหามันยังเป็นดิภาวะตัณหาพัตสัมันก็ยังมีการผัตสารู้อายตนาบอายต์ทางานเชื่อมอยู่นามรูปเราก็เห็นอยู่วิญญาณเราก็สะอาดอยู่สังขาร สังขารองรวมตอนนี้ตอนนี้นะที่พูดนี่เป็นวิญญาณกายวิญญาณนะและกําลังพิจารณาเรื่ององค์ประชุมทั้งหมดของสังขารองค์ประชุมทั้งหมดของสังขารเราเรียกว่ากายสังขารเพราะฉะนั้นเมื่อวิญญาณดับก็แสดงว่าในกายสังขาร น, นี้วิญญาณดับก่อนต่อมาก็กายสังขารองค์ทั้งหมด แล้วเราถึงมาสรุปว่าจิตสังขารดับตัวทายสุดตามที่ท่านจัดไว้ในพระธรรมปิฎกเล่ม17็ข้อ630สบะดูมันจะใช้นะธรรมทินนากับวิสาขุบาสกตอบเอาทีนี้เอาให้จบเมื่อเกิดนิโรธ เหตุปัจจัยเหล่านั้นอะไรดับก่อนสังขารที่นี้ย้าอีกก่อนก่อนจะไปว่าเกิดอะไรเกิดนิโรธผดจบนิโรธแล้วอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นหลังขอย้าก่อนว่าสังขารดับเมื่อกี้ย้าไปแล้วไม่ใช่สังขารทั้งหมดตาหูจมูกลินกายของคุณยังทํางานอยู่หมดเลยจะมีการสังขารใหญ่ของสังขารขัน กองสังขารทั้งหมดคุณยังอยู่นะแต่คุณดับเฉพาะสังขารตัวที่มันเป็นเหตุแล้วมันจะไปสังขารมันจะไปปรุงแต่งมันถูกดับสาเร็จลงที่วิวจีสังขารเป็นตัวรออยู่ตอนนี้ยังไม่ออกมาเป็นกรรมยังไม่ออกมาเป็นกรรมเพราะฉะนั้นสังขารดับเนี่ยมันจะออกมาเป็นกรรมต่อจากนั้น มันจะเป็นกายกรรมก่อนก็ได้เป็นวจีกรรมก่อนก็ได้ใช่ไหมอ่ามันจะเป็นกายกรรมก่อนก็ได้วจีกรรมก่อนก็ได้ถ้าแม้ว่าคุณกำลังทำงานอาชีพมันจะเป็นทำการอาชีพก่อนก็ยังได้เลยออกมาข้างนอกเป็นกรรมเพราะฉะนั้นคำว่าสังขารกับคำว่ากรรมคนละเรื่องเอาแต่ทีนี้ สูตรนั่นแหละพวกที่หลับตาสมาธิเขาไม่คิดเขาไม่รู้จักสังขารที่อาตมาว่านี่หรอกสังขารคือองค์ประชุมของกายวิญญาณของกา ย, ยาสังขารข้างในองค์ประชุมของสังขารคือกระบวนการของตักกาวิตกาสังกปะอ ป, ปนายปยปนาจะจะลไปรู้ปนาวจีสังขารเขาไม่รู้หรอกพวกนี้พวกที่นั่งหลับตาสมาธินี่เขาไม่มีอันนี้เขาก็ พออ่านพระเตวิปิดกเขาก็บอกว่าเมื่อเข้านิโรธอะไรดับก่อนเขาก็บอกว่าจีสังขารดับก่อนเขาเออใช่เราไม่พูดแล้วเออถูงเขาเหมือนกันใช่ไหมเออเราไม่พูดแล้วแต่มันเป็นกรรมนะไม่ใช่สังขาร น, น, นั่นน่ะเออดับเว้ยใช่ใช่ชพอวัจกรรมดับแล้วต่อมากายะถึงค่อยดับ ท่านบอกว่ากายสังหารเขาก็ตีความเป็นกายกายกาย ก, ายกรรมก็ได้เออปากไม่พูดแล้วแน่นอนปากมันหลุดก่อนแน่นอนนละตัวอาจจะยังเคลื่อนกระดุกกระดิกอยู่ก็ได้แต่ปากไม่พูดแล้วดับนี่นะอ อ, องค์ชุมกายกายร่างกายเราเอาจจะที่หลังเสร็จแล้วจิตมันค่อยดับหมดเลยปีไปเลยเออถูกเหมียนกันหมดเลย งกที่พูดแต่คุณสำคัญผิดไปว่าท่านถามถึงสังขารดับท่าไม่ได้ถามถึงกรรมดับเห็นไหมนี่คือความละเอียดลึกซึ้งนี่คือความละเอียดลึกซึ้งนะเพราะงั้นเขาอ่านแล้วเขาก็เข้าใจถึงกรรมเขาก็ว่าโอ้ตรงเป๊ะใช่แล้วไม่มีผิดเอาทีนี้ออก ไอ้ออกเนี่ยถ้านิโรธแบบหลับตาเขาก็จะค่อยคลายออกสว่างออกมาท่านก็บอกไว้ว่าเวลาออกจากนิโรธอะไรเกิดก่อนเกิดนะอันนี้ไม่ใช่ดับไอ้นิโรธน่ยดับดับอันนี้ดับแล้วอันนี้ดับอันนี้ดั บ, ด บ, ด บ, ดบส่วนออกเนี่ยอันนี้เกิดอันนี้เกิดนี่เกิดอะไรเกิดก่อนจิตสังขารเกิดก่อนเออใช่ว่าเออใช่จิตมันต้องรู้ก่อนดีสิ่งมันแล้วก่อนนี่ตรงกันเป้เลยเห็นไหม จิตก็เคลื่อนไหวก่อนเขาก็ออกมาจากมืดมืดดำาๆออกมาสว่างขึ้นสว่างขึ้นเสร็จแล้วค่อยกายสังขารตามมาก็ถูกอีกองรวมของกายเออกายมันถูกยังไม่ไปมีอะไรเรายังไม่ได้พูดเพิ่เลยว่าจีสังขารก็ตามมาทีหลังถูกเป๊ะเหมือนกันเลยแต่ตมาพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้จิตคุณเกิดก่อนจริงจิตตจิตตกรรม เขาไม่เรียกจิตกรรมโดยซ้าไปเขาเรียกมโนกรรมมันเป็นกรรมที่เกิดมันมโนกรรมแต่นี่ท่านไม่ได้ถามมโนกรรมท่านถามจิตสังขารอันตัวนี้ชัดเพราะงั้นอย่ามาเบี้ยวบาลีตัวนี้ท่านบอกจิตสังขารไม่ท่านไปบอกว่าอะไรเกิดก่อน มโนกรรมเกิดก่อนหรือมโ น, มโนวจีเอเอวจีกรรมหรือว่ากายกรรมเกิดก่อนเกิดหลังท่านถามว่าสังขารจิตตสังขารวาจีสังขารกายสังขารทำไมได้ถามมโนว่นวาทำไมถายกรรมแต่ตอบกรรมอันนี้ก็ผิดไปแล้วตอบว่าจิตจิตตกรรมไม่มีเนี่ยจิตตกรรมมีแต่มโนกรรมจิตสังขารไม่ใช่ แต่เขาบอกว่าจิตสังขารเกิดก่อนต่อมาก ร, รมกรรมกายจก ร, รมไม่ใช่ไม่ใช่กรรมกายกายจะสังขารเกิดอ้ก็ใช่แต่กายจสังขารหรือว่าจีสังขารนี่ไม่แน่คุณออกจากนิโรธแล้วคุณยิ่งออกจากจิตมันก็คลายมาคลางมาคุณอาจจะไหวกายก่อนเป็นกายกะกมหรือคุณอาจจะพูดก่อนก็ได้ยังไม่ทันไหวกายเลย คุณวัจจีเกิดก่อนก็ได้ใช่ไหมไม่แน่นอนไม่ชัดไม่เทียงวัจจีเกิดก่อนก็ได้ตายเกิดก่อนก็ได้ใช่ไหมนี่คือมันไม่ใช่มันดิ้นได้เห็นไหมมันดิ้นได้ันไม่ใช่เพราะงั้นอันนี้จึงไม่ใช่จริง แต่ของพุทธนั้นเป๊ะเลยไม่มีดิ้นเมื่อจบนิโรธไม่ได้ดับไม่ได้ออกไม่ได้เข้าเป็นการล่วงพ้นซึ่งนิโรธเสร็จนิโรธและ ว, วุฒ ธ, ธานะวุฒานะีานะ่ออกพ้นหลุดพ้นไปเสร็จกิดเกิดขึ้นแล้วนิโรธเกิดขึ้นแล้ววุฒทานะแปลว่าเกิดขึ้นก็ได้ก่อขึ้นแล้วเกิดขึ้นะออแล้วเลยหลุดพ้นละออกละออกจากอันนี้ละเลิกจากอันนี้ละ อะไรเกิดขึ้นก่อนท่านบอกว่าจิตตสังขารเกิดขึ้นก่อนก็ใช่เพราะว่าการปรุงแต่งของจิตเป็นวัจีสังขารสำเร็จลงมันก็คือองค์รวมของจิตจิตตสังขารข้างในจิตข้างในข้างในนะจิตในข้างในถ้ากายสังขารมันรวมทั้งข้างนอกได้จะมารวมกับข้างนอกกายสังขาร เมื่อร่วมกายข้างนอกเสร็จแล้วคุณมีเจตนาบอกเอาน้ำไม่ให้กินหน่อยอะไรเงี้ยนะถ้าเผื่อว่าจะนั่งหลับตาแต่ไม่นั่งหลับตาคุณก็พูดเลยเอาน้ำเมื่อกี้หน่อยคุณก็ว่าจีสังขารตามมาทีหลังได้จิตสังขารเกิดก่อนเป๊ะแล้วกายสังขารเกิดก่อนว่าจีแน่นอนไม่ไม่เป็นเหมือนอย่างไอไอกรรม กรรมอะไรเกิดก่อนก็ได้กา ย, ยกายกรรมเกิดก่อนวจีกรรมเกิดก่อนได้ทั้งนั้นแต่นี้แน่นอนกายสังขารค่อยเกิดจากจิตแล้วก็เป็นองค์รวมแล้วค่อยมาเป็นปัจจีสังขารที่จะพูดนะไม่ใช่วจีสังขารดับนะไม่ใช่กิเลสดับนะไอ้กิเลสดับนั่นวจีมันเกิดก่อนใช่มันดับมันเกิดก่อนแต่อันนี้มันจะพูดใหม่ มันจะเกิดว่าจีสังขารมันจะมีคำอะไรที่จะออกปล่อยออกไปมันจะทำงานเรื่องผ่านดานอั ป, ปนาพยา ป, ปนาแล้วมันจะจะพูดอ่านี่คือรายละเอียดสิ่งที่กระบวนการของจิตเจตสิกต่างๆที่มันทำงานเพราะฉะนั้นในเจตนาผัสสะมณสิกาในจึงเยอะเลยการทำใจในใจการ จัดการกระจายก็คือการสังขารการจัดการกมันสังขารนี่แปลว่าจัดการมันตกแต่งมันปรับปรุงมันจัดทำมันโดยญาณปัญญาที่มีธรรมแต่ถ้าคุณไม่มียานเข้าไปร่วมทำอะไรมันจัดการฮะกิเล่มันจัดการหมดถ้าคุณไม่มียานเข้าไปจัดการกิเลไมันเป็นตัวปงการจัดการหมดเลย เซ็มันเอาไปปฏิบัติให้ได้นะเพราะงั้นอาตมาอธิบายมาถึงอุปทานแล้วอาตมาก็ขยับมาไล่จากวิญญาณหกแล้วก็ไล่ขึ้นไปจนกระทั่งสังขาร น, นะสังขารวิญญาณหไล่ขึ้นไปถึงนามารูป แล้วก็มาถึงหนามรูปแล้วก็มาถึงสรยตนาผัสซัเวทนาไล่ขึ้นมาจากล่างขึ้นมาหาบนแกบงไปหาล้างาสังขารวิญญาณ น, นามรูปแล้วก็มาสรยตนาก็สะอาดขึ้นมาเรื่อยๆผัดซัก็สะอาดเวทนากรสะอาด ตัณหาก็ตัณหาวิภาวะตัณหาอุปาทานก็ไม่มีแล้วพบก็ดับชาติก็ดับตั้งแต่ตัณหาไปสุดไล่ไปจนถึงอุปายาสะดับหมดดับเสร็จเลยแต่ส่วนเรานั้นยังอยู่แม้วิภาวะาวะแม้ตัณหามโนสัจเจตนาก็เป็นวิภาวะตัณหาเป็นตัณหาที่ไม่มีพบ พอดับไปหมดแล้วพบชาติตันหาไม่มีพบพระะเจ้นผัสสะก็ยังมีเวทนามีเวทนาก็เก่งขึ้นไปตามลําดับของอุเบกขาห้านีผัสสะก็ผัสสะไปคุณซักซ้อมไปมีผัสสะมีอายตนะมีนามรูปมีวิญญาณมีสังขารก็เป็นอภิสังขาร เป็นอภิสังขารที่สั่งสมความเป็นอเนินชาสั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิที่ตั้งมั่นขึ้นที่ตั้งมันนงม่นขึ้นตั้งมันนงม่นขึ้นตั้งมั่นขึ้นตั้งมั่นขึ้นตั้งมั่นขึ้นมีแต่วันจะเป็นนิจังทุวังสัตสตังอวิปริณามธมังสังหิรังสังกุ ป, ปังอวิชาก็จบเป็นวิชาวิชาและวิมุตติก็บริบูรณ์ด้วยประกาศนิอะไรนี้นะ อมาขยายตัณหาสามตัณหาห้าไม่ต้องขยายมากเพราะขอภัยตัณหาหกมันเกิดจากตาเขาเป็นตัณหาเกิดจากหูจมูกลิ้นกายใจเหตุปัจจัยอะไรที่คุณมีกิเลสอ น, นันกับมันคุณก็เกิดตัณหานั้นทีนี้ลักษณะของตัณหามันก็มีอยู่สองอย่างใหญ่เท่านั้นน่ตระกูลใหญ่นะสะราคาก็สะโทสะ สโมหะนั้นก็เป็นตัวที่ไขว่านด้คุณรู้มันชัดไหมมันหลงหลงเลอะหลงลมลืมลืมมันหลงไม่ครบอ่หรือว่าหลงไหลคลั่งใครอะไรก็แล้วแต่มันก็หลงอะไรต่างๆนานาสารพัดแต่ตอนนี้ผู้คนหมดหลงชัดเจนหมดวิจิกิจช้าคุณก็เหลือแต่ว่ามันจะสราค้หรุษะโทสะนี่เป็นตัญหาสาม กขก็กจัดมันกาจัดมันจนหมดมันก็เป็นวิภวะตัณหาเต็มตัวเป็นวิภาวะตัณหาเต็มตัวความเป็นวิภาวะตัณหาจึงไม่ใช่กุศลโอคอจึงไม่ใช่อกุศลจึงลำบากมากเลยที่จะพูดกับคนระนาบเดียว ที่เขาไม่เข้าใจในระดับใหม่องค์ประชุมใหม่สภาพใหม่ของโลกใหม่ของโล ก, กุตระหรือของปราโลกโลกใหม่ที่จะเรียกว่าสัตว์ก็เป็นสัตว์ใหม่เป็นอุปติเทพเป็นวิสุทธิเทพเป็นพรหมเทพซึ่งเป็นเทพใหม่ไม่ใช่เทพเก่าที่เป็นสมุติเทพของคุณยำแย่อยู่นั่นไม่ใช่ นันไม่ใช่แล้วเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพใหม่และบริสุทธิ์ใหม่เป็นชีวิตชีวาที่ยิ่งใหญ่ขึ้นประเสริฐขึ้นสุขสบายขึ้นมีคุณสมบัติประเสริฐขึ้นมีคุณค่ามากขึ้นเป็นสัตว์ถ้าถือว่ายังไม่สมบูรณ์ก็ยังเป็นสัตว์อยู่เป็นสัตว์ในระดับอนาคามีเป็นต้น ถ้าบริบูรณ์จบเป็นอรหันต์แล้วก็หมดความเป็นสัตว์เลยสิ้นความเป็นสัตว์นะหมดความเป็นสัตว์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นการตายชราก็ดีมรณะก็ดีจึงเป็นการตายของสัตว์ไม่มีแล้วชรา ไม่มีแล้วมรณะไม่มีแล้วปริเทวะโสกัปริเทวะไม่มีหมดตายหมดเกลี้ยงสนิทเลยในการตายทางสัตว์มันตายตายแล้วไม่มีซากเป็นการตายของโอปปาติกะแล้วมันก็มีเกิดพรมพระพร ม, พรมวิสุทธิเทพเกิดจากสัตว์ตายจิตวิญญาณก็เกิด เกิดพุ่งปั๊บเลยอันนี้จบอันนี้ตายอันนี้ตายอันนี้จบอันนี้เกิดจบเกิดโดยไม่ไม่มีการไม่มีอะไรขั้นท่านเรียกว่าไม่มีอะไรขั้นมันเกิดในตัวมันเองไม่มีซากผุดเกิดเกิดทันทีทันใดโอปปาติกะโยนิการเกิดของจิตวิญญาณโอปปาติกะโยนิทางเกิดทางจิตวิญญาณอ นี่คือลักษณะของสัจธรรมที่อาตมาอธิบายให้ฟังแล้วตามที่มีพยัญชนะมีอะไรอาตมาก็ามาขยายความตามทีอ่อาตมาก็มีพยัญมีสภาวะที่รองรับมันก็จึ oh. งโอ้โห พ, พูดอย่างอวดดีพูดอย่างบังอาจพูดอย่างอาจทานเก้ากล้าพูดอย่างใส่สำเลียงสำเนาใช้น้ำหนักคมเบงคนอื่นคลายไง มันก็เค่อยเป็นคยไปหน้าอย่างที่อาตมาอธิบายขยายความให้ฟังชัดชัดที่นี้วันนั้นอาตมาวันที่23านั้นยังขยายอุปทานทิศถุกการมมุดปาทานทิศถุปาทานศิลปตุปาทานอัตตวาทุปปาทานอยากจะทวนอีกสักทีหนึ่งการยึดมันยึด น่ะียึดนี่แหละการมุปาทานก็จะไม่อธิบายมากคือกิเลสมันจะต้องยึดกิเลสตัวนั้นตัวนั้นอยู่แน่นอนคุณยึดอยู่คุณก็ไม่ไ ม, ไม่ปล่อยไม่วางมันรู้ทั้งรู้แล้วคุณก็ยังรูปๆคําๆมันเล่นหัวกับมันอยู่ไอ้หนูเอ็นดูกันอยู่น ะ, ะแทนที่จ ะ, อะถอดยศแทนที่จะรีบรับแทนที่จะ ยึดพาสปอร์ตไม่เอาแลยคุณก็ยังย่องย่องย่อ ง, ย อ, ง, ย อ, ง, ย อ, งอยู่กับว่าไปสักวันหนึ่งเธอมันฟื้นขึ้นมาแล้วเธอก็นี่แหละรูปๆคำๆนี่น้องหย่อๆแย่ๆก็ตามใจไม่ประหารจริงเพราะอยไปเห็นอย่าไปเห็นว่าพวกนี้ท้าไปมันเธอมันเขาบอกว่าเหมือนตีงูให้หลังหักมันมักจะทำร้ายเมื่อภายหลังนะเพราะว่าสัตว์พิษนี่มันไวใจไม่ได้ กิเลสไม่ใจได้ไหมทำไมตอบเร็วนักนะตอบถาปุ๊บตอบปั๊บเลยกิเลสไม่ใจไม่ได้จริงๆิันเหรอไม่ใจมันไม่หนาเลี้ยงไม่ดูเล่นหน่อยเถอะอ่ะตัวน้อยๆเลี้ยงไว้ตัวน้อยๆไม่ประมาทพระพุทธเจ้าท่านบอกอย่าประมาทด้วยไปประกาศนังกลวง อ้าอัตมาไว้ไม่อธิบายเรื่องการการมุปาทานยึดในเรื่องใครอยากตัวสัตว์แท้นี่ไม่มีการไม่ไม่ไมอัตมาอธิบายมาตลอดเวลาก็คือตัวสัตว์ตัวนี้ที่นี้ที่ตุปาทานแปลว่าความเห็นแปลว่าความรู้แปลว่าลัทธิแปลว่า ท, ทาาฤษฎีทฤษฎีในภาษาสันสกฤตถ้าเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าทิฏฐิแปลว่าความรู้แปลว่าความเห็นแปลว่าความเข้าใจ แต่ว่าหลักการของเราองค์รวมของความรู้ของเราคุณรู้ตั้งแต่ปริยัตมาคุณก็ยึดปริยัตยึดทิฏฐิยึดทิษฎียึดความรู้ยึดความเห็นยึดถ้าความรู้ของคุณถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิคุณก็ปฏิบัติตามนั้นก็แล้วไปเถอะจบแน่แต่ แต่ความรู้ความเข้าใจทฤษฎีของคุณมันไม่ถูกและคุณก็ยึดมันอยู่เงี้ยนี่แหละกูเอาอันนี้กูไม่เปลี่ยนนะเป็นไงก็ไม่มีปรโตโคสะถ้าสมมุติว่าเราเองเรา <c oughs> <c oughs> เราเปิดจิต เรามีถึงที่เรายึดแล้วละ่ะทฤษฎีนี้เรามีแล้วของเราแล้วเสร็จแล้วเราก็ฟังของคนอื่นทฤษฎีของคนอื่นความร่วมคนอื่นความเห็นของคนอื่นแสดงมา <c oughs> <c oughs> นี่่จัดการแสดงทฤษฎีนะ <c oughs> คนอื่นก็แสดงมาบ้างคุณก็เปิดจิตรับฟังปรตโขสั เมื่อคุณฟังแล้วมาเทียบกับของเราที่เรารู้เราเป็นความเห็นของเราเทียบอย่างไม่อคติเทียบจริงๆเลยว่าเออความเห็นนี้เออมันก็น่าลองเนาะคุณก็ลองสิเปิดจิตถ้าของเขามันถูกมันดีกว่าเราจริงๆคุณไม่ได้มีอคติอะไรยอมรับเปิดรับเต็มที่เลยคุณก็มาลองเต็มที่ไม่เอียงไม่ใช่อาบน้ากลัวเปียก เอามาลองก็ลองมเมื่อกียๆ่ๆ ง, งนั้นเล่นๆหัวไ ม, ไม่รู้ลองจริงอ้าคุณก็อย่างนั้นเมื่อกีจะไปถูกต้องอะไรลนะ่ะถ้าคุณเห็นมันดีมันดีเออมันน่าลองจริงคุณก็ลองแต่คุณเทียบแล้วยังไงยังไงมันกไ็ไม่ต้องเสียเวลาลองหรอกอยาอคติทีนี่สำคัญอย่าไปลำเอียงว่าเออแล้วของเขาน่ยมันไม่ดีจริงคุณไปต้านไม่ก่อนแน่นอนคุณก็ชนะทุกทีอ่ะสมมติว่าเขาชนะดูมันก็ได้ ผมว่เาเขาดีกว่าก็ได้ยลองเทียบไปเทียบมาทุกอย่างจนเห็นว่ามันน่าลองนั้นเท่ากับคุณรับคนอื่นปรโตโตโคสะทีนี้คุณก็ทํามณสิการลองคือมณสิการพอคุณทําตามทฤษฎีที่ได้ใหม่นี่ดูเออมันเข้าทีฮะคุณก็สมาทิฐิคุณก็ได้ผลแต่ถ้าคุณไม่เปิดรับเลยไม่ปรโตโตโคสะเลย ถ้ามนุิการของคุณเป็นอยู่อย่างเก่ามันผิดมันก็ผิดอยู่อย่างเก่าแต่ถ้ามันถูกแล้วก็แล้วไปเถอะมันไม่มีปัญหาอะไรแม่จะรับฟังคนอื่นมาบ้างก็ไม่เป็นไรก็คุณของคุณทำถูกแล้วคนก็ทำคุณไปแต่ถ้าเผื่อว่าคุณรับของเขามาแล้วก็มันลองจริงว่าเออมันน่าลองนะเพราะว่ามันสุดสีเนาะมันดูดีเหมือนกันน่ะลองแล้วอา้าว มันดีกว่าของเราให้มันถูกกว่าของเราให้ผลมันชัดเจนกว่าของเราดีกว่าของเราปฏิเสธมันกันเลยโอ้โหกิเลสมันจริงเลยชัดเจนเลยเนี่ยปราบมันได้ทําหายมันได้ดีจริงกว่าคุณก็เปิดจิตใหม่ปรตโทโคสะใหม่ไอมณสิการเก่าของคุณนี่คุณก็โยนิโสมณสิการขึ้นใหม่ไม่ใช่อโยนิโสอย่างเก่ามันก็จะเริญขึ้นนี่คือทิฐิมันก็สมาขึ้นจริงๆ สมาธิที่เกิดจากประโตโคศ ก, กับโยนิโสมนานสิการเห็นไหมเพราะฉั้นเราจึงจะไปปฏิเสธใครรับรู้รับฟังรับทำความเข้าใจแล้วก็เห็นว่าควรคุณก็ทำสิ่งที่ควรนั่นมันก็จะบริบูรณทีนี้ทิฏถุกปาทานก็คือทิฏทีความเห็นอย่างนี้ศีลศีลตตศีลปตุปปาทานละ ศีพลพรตหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติหรือยิฐถังยิฐถังที่จริงทานก็เป็นยิฐถังเป็นวิธีประพฤติถ้าประพฤติอย่างสมาธิมันก็ได้ผลถ้าไม่สมาธิไม่ได้ผลแต่นี่ไม่ใช่การทานแต่เป็นภาคปฏิบัติยิฐถังหรือศีพลพรตเนี่ยเป็นภาคปฏิบัติไม่ใช่การสละสละอันา น, า น, านั้นันนี้ เป็นภาคปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสทีนี้ศีลพระรงคุณนะ่ะถ้าเผื่อว่าคุณเองคุณได้มาจากอโคบาอาจารย์ได้มาจากปรัมปราได้มาจากสืบเนื่องกันมาเป็นประเพณีจารีตสืบเนื่องมาอะไรคุณปฏิบัติไปแล้วอย่างนั้นนะ่ะอย่างที่เขาถือเขาทากันทั่วไปอย่างนอก้กาวนอ ก, ก็อยู่อย่างนี้แหละอัตมาที่บายไปเทิดเขาก็ไม่ฟังเขาไม่อะไรใดเลยคุณก็ยึดศีลพราะรงค์คุณนั่นแหละ อย่างนอยก้าวน อ, นอแล้วก็มานั่งหลับตาบตาอัตมาอธิบายให้ตายบอกว่ามาปฏิบัติมากองแปดมาโพธิปักเรียทรราม3ิบพิจารณากายเวทนาจิตทมอย่างนี้เวลาไปปฏิบัติก็สังวรอินรียหนะเสร็จแล้วก็ทานกิเลสให้ได้จัดกระบวนการสังกปะเจนะให้มันเกิดองตรงธรรมหของ ป, ญญปัญญาปัญญาปัญญินรีปัญญาผล ทำมาวิจัยวิจัยสัพพโอชงสมาธิิมักขังคะเพราะเราดเดินมักอยู่องค์มักทั้งเจ็แล้วก็ทําอยู่ปฏิบัติอยู่สักกปะปปวารจากรรมมันตาอาชีวะมีสมมาสติสมาว า, ว า, ย, ว า, ย, วายามากกว่าสมาสติช่วยเจ้าประทานสมาธิิเราก็รู้มาแล้วสมาธิสิ10รู้สมาธิสิบหมดละชัดเจนละแล้วก็ปฏิบัติไป สังสังกับป่าวาจากรรมันตะอาชีวะนี่แหละพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็เกิดผลไปเกิดผลไปการเกิดผลไปตลอดเวลาตลอดเวลานั่นแหละคุณก็จะเห็นก็จะรู้ทุกอย่างมณนะสิการการกระทําทุกอย่างมันเกิดผลจริงเกิดมีจริงเกิดชัดเจนจริงเกิดของแท้ขึ้นมาให้แก่ตนเอง ศีพลพรนที่คุณกระทากับศีพลพรนที่ขยายความให้ฟังตอนหลังเนี่ยมันจะจริงกว่ากันอย่างไรแค่ไหนถ้าคุณเปิดจิตรับปฏิบัติอย่างนี้บ้างสังวรประธานแล้วก็ประหารประธานมีะบวนการที่จะประหารนั่นแหละอย่างนั้นมันเข้ามากจัดการทำใจในใจประหารเสร็จแล้วก็ได้ผลภาวนาประธาน และคุณก็รักษาผลาเป็นอเนินชาพิสังขารไปหรือทำซ้ำปฏิสังขารอุปัชนาญานสังขารุปเปคายานสัจจานุรมิกยานหรือทำเวทนาร้อยแทํทำไปทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันเรียนรู้อา่านเวทนาในเวทนาออก เวทนาร้อยแปเวทนามโนปวิจาร18มโนปวิจารสิบแปดนั่นเองมามันก็ได้อุเบกขาอุเบกขาอุเบกขาอุเบกขาอุเบกขาอยู่โจกระต่างมันชำนาญโจกระต่างมันเข้าฝักโจกระต่างมันเป็นอัตโนมัติเลยเป็นตัทตาเป็นเองเลยมันอุเบกขาเฉยอยู่จนกระต่างไม่พยากรณ์แล้วในข้างหน้าอาวิชชาข้อหข้อ6เป็นข้อ7อวิชชา ส่วนที่เป็นอนดีตส่วนที่เป็นอนาคตรวมกันเป็นศูนย์หมดเลย ป, ปัจจุบันมันก็ศูนย์จนมั่นใจอนาคตมันก็ศูนแน่นอนเพราะว่าก็เป็นเอาวิชาข้อที่เจ็ดเด็ดขาดอย่างนี้เป็นตน้นหลักเกณฑ์ทุกอย่างอูคเจ้าใ น, นดินไม่หลุดสักอันเลยเป๊ะหมดเลยทุกอย่างตรงตัวเป็นไปตามนั้น เรียบเลยอย่างนี้เป็นต้นนะพระศีลพระใดที่ปฏิบัติแล้วมันเข้าหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าตรงไปหมดมันก็ถูกกว่าดีกว่าแต่ถ้าคุณยึดอยู่ของเก่าของคุณได้แค่นั้นคุณก็ได้แค่นั้นแค่นั้นก็แล้วแต่เถอะไม่มีปรโตโตโคสามไม่รับอะไรเนี่ยอัตมาเลยพูดไปดีเห็นอยู่เนี่ยอ่า โทรทัศน์ก็ออกเดี๋ยวนี้ถ้าใครใส่ใจศึกษาแม้ทุกวันนี้นี่ก็ยังไดออก y o u t u ไ e มเนี่ยเนี่ย YouTube ก็ออกก็ไปเปิดดูได้ไปอะไรได้นะถ้าสนใจมาคน้นค้นขวายมันก็ได้ทั้งนั้นนหะถ้ามันไม่ค้นขวายมันมันไม่เอาถ้ามันไม่เอาสัอย่างอะไรมายัดเยียดก็มไม่เข่าด้วยซ้ำนะ มันศีลพรนก็คือถ้ายึดอยู่โดยที่มันถูกก็แล้วไปเธอทาให้เป็นสัมมาก็สาธุทาให้เป็นสัมมาก็ซวยทุดเนี่ยาสาธุถ้ามันไม่สัมมาก็ซวยทุดเลยผลนะก็เจ็งบงไม่มีการก้าวหนา้าไม่มีการพัฒนาขึ้นอีกเลยอุปทานตัวสุดท้ายอัตวาทุปะทะโอ้โห19บเนาิกาแทีแล้ว เวลาเนี่ยเอาไปทิ้งแม่น้ำโองดีไหม mm hmm. <c oughs> ไหลลงไหลลงไหลลงไหลลงเนีเป็น the river of no return เลยไหลลงไหลลงไปวังหวังโมเลังเออร์สังเนี่ยนะเอาไปทิ้งเลยดีไหมมันหมดไปเท่าไหร่ก็หมด อัตวาทุ ป, ปาธาที่จริงอัตมาอธิบายวนเวียนไม่รู้กี่ซ้ำกี่ซากอัตาวาทะนี่แปลว่าคำพูดแปลว่าภาษาแปลว่าเรื่องราวแปลว่าลัทธิก็ได้วาทะคุณก็ยืดได้แต่อิลัทธิแบบนี้ลัทธิอัตาลาลัทธิอัตมันลัทธิปรมามปรมามะตามัน คุณก็ยืดได้แต่แค่อัตตาแค่วาดคุณไม่รู้จักเราอัตตาเป็นยังไงอัตตาพระเจ้าปรมาตมอัตมันพระเจ้าคุณก็ได้แต่พูดได้แต่จินตนาการได้แต่มโนมโนนึกพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าอยู่ที่ไหนก็อมีพระเจ้าอยู่ทั่วไปในทุกอย่างเลยพระเจ้าเพราะของท่านอยู่ทั้งนั้นท่านอยู่ทุกอันทุกอนู คุณก็ได้แต่นามมาทำโอ้ไม่ใช่คุณก็ได้แต่จิตจินตนาการคุณก็ได้แต่มโนนึกไปพระเจ้นมันก็เป็นอัตตาที่มีแต่วาทะมีแต่คําพูดมีแต่บัญญัติมีแต่ความหมายมีแต่สิ่งที่ว่าคุณนึกว่าคุณรู้คุณเห็นคุณเข้าใจก็นี่ยิ่งใหญ่ที่คุณไม่รู้จักอัตตาเลยจนกว่าคุณจะมาเรียนรู้อัตตาสามมาอ่านอวันีนาผี ไอ้ผีจับตัวไอ้อัตตาตัต่ตส ก, กายะจัดการมันจนกระทั่งกำจัดกายะกําจัดอัตตานี่ละได้หมดเลยคุณจึงจะรู้วันโอ้อัตตามันมีอัตตานุทิฏฐิตามเห็นอัตตาพ้นอัตตานุทิฏฐิพ้นความเห็นเฉยเฉยพ้นกะเรียนรู้อัตตทิฏฐิ มีทิฏฐิในเรื่องอัตตาแต่มีทิฏฐิแบบไหนอะทิฏฐิแบบนิรัตตาหรือทิฏฐิแบบอนัตตาทิฏฐิแบบนิรัตตาก็หมายความว่าคุณมีทิฏฐิเข้าใจและยึดเอาเองว่าไอ้ไอพวกนี้พวกมิจฉาทิฏฐินะพวกนี้พวกอุออออออออเฉทะพวกอุเฉทะพวกตายศูนย์พวกว่างไม่มีพวกเนี้ย นี่เรนะแปลว่าไม่มีอัตาเขาก็บอกว่าไม่มีไม่ใช่อย่างอัตามันไม่มีไม่ใช่อาตาอะไรอะไรก็ไม่ใช่อัตาสัพเพฒมานัตามันไม่ใช่อัตาพวกนี้พวกนิรัตตาพราะอัตาไม่มีในที่ไหนก็ไม่มีคุณเข้าใจด้วยวาทะด้วยความรู้ด้วยเหตุผลด้วยบัญญัติว่ามันไม่มีคุณเข้าใจแค่นี้คุณจบละ แล้วคนก็บอกมันไม่มีสัพเพธมมาอัตตามันไม่มีตัวตนนี่มันไม่ใช่ตัวตนนี่ไม่มีใครไปคิดว่ามันมีใครไปคิดว่ามันใช่อัตตามันไม่มีในมหาจักรวาลนี้ไม่มีอัตตาหรอกนี่คือวาทะอัตวาทุปาทานเพราะฉะนั้นอัตวาทุปาทานนี่ตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้าท่านตั้งขึ้นก็ท่านก็ว่าพวกเทวานิยมเนี่ยมันได้แต่รู้มันได้มันแต่ไม่เคยเห็นพระเจ้า ไม่เคยเห็นปรมาตามันไม่เคยเห็นอัตตาอัตตาตัวเองก็ไม่เคยเห็นอัตามันตัวเองก็ไม่เคยเห็นปรมาตามันไม่ต้องพูดเลยไม่เห็นนะไม่เคยเห็นนะได้แต่วาทะนั่นคือท่านตัดพูดตั้งแต่ยุคโน้นแต่ท่านไม่ไปจี้เขาทานายเนปจี้เขาไปเดี๋ยวมันจะเอาตายเพราะมันเยอะเดี๋ยวมันมารุมมาท่านก็ตัดว่าเป็นสัจธรรมไปทีนี้มาถึงยุคนี้ของพุทธ ให้ชาวพุดเองนั่นแหละอัตวาทุปาทานได้แต่ว่าถ้าได้แต่เหตุผลได้แต่ความรู้แล้วเข้าใจเปิดผิดเป็นนิรัตตาอีกด้วยเข้าใจว่าอัตตามันไม่มีไม่ใช่อัตตาแล้วเลยเอแต่วเขาก็ไปปฏิบัติคนบงนี้ปิดประตูนิพพานเรียกว่าอุดเชทิธิปิดประตูนิพพานเลยคนบงนี้เพราะจังจะต้องมาเรียนรู้อ๋ออัตตาเป็นอย่างนี้โอราริข่ออัตตาเป็นอย่างนี้ มโนไม่ตาเป็นอย่างนี้อรูปรอัจตาเป็นอย่างนี้ถึงค่อยเข้าใจถึงก็ไดเห็นจริงจนลดละอัตตาได้ถึงรู้ว่าอัตตามันมีแล้วทําให้ไม่มีอัตตามันใช่แล้วทําให้จนกระทำมันไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันไม่มีตัวตนใ น, ในเราแล้วอย่างนี้เป็นตนน้นนี่คืออั ต, ตวาทุปาทานเพราะันทุกวันนี้ก็อธิบายอุปทานตัวนี้กันเนี่ยอั ต, ตวาทุปทานกอกว่าก็ยึดว่าเป็นตัวตนใครยึดเราเป็นตัวตนเท่านั้นเอง วาถ้าบางทีเขาไม่พูดถึงเลยมันมีแต่คําพูดเขายึดแต่คำพูดได้แต่คําพูดเท่านั้นว่าเป็นอัตตายึดได้แต่คําพูดเท่านั้นเป็นอัตตานี่ยเขาข้ามไปเลยยึดอัตตานี่มันมีอัตตาไม่มีอัตตามันไม่ใช่มันมันมันไม่ละเอียดกว่านั้นมันลึกซึ้งกว่านั้นนี่คือในย่าของอัตวาทุกปาทานที่มีในย่าลึกซึ้งกว่าที่เขาเข้าใจกันตึ้งตง่ายๆวัดวัด เวี๋ยว จ, จะหมดเวลาแล้วนี่ทุ่มยี่สิบสามแล้วอพอวันนี้พอ <c oughs> อเริ่มใครจะพูดใครจะอะไรนฝนท่า น, นาตกมาเตือนนะให้หยุดจะมาหยุดพูดให้คนอื่นบ้าง <c oughs> ขอโอกาสพ่อท่านค่ะพระรัมาไม่ทันตอนช่วงต้นนะคะแต่ได้ยินตอนหลังเข้าใจว่าพ่อครูกำลังพูดถึงปฏิจจสมุปบาทสายอนุโลม11ตั้งแต่อวิชชาเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดสังขารวิญญาณนามรูปจนกระทั่งถึงชรามรณาโสกปริเทวะแล้วพ่อท่านก็อธิบายแต่ละตัวซึ่งเราก็ฟังมาหลายรอบแล้วค่ะพระร ก, ก็ทาสรุปมาหลายครั้งแล้วก็ คิดว่าเข้าใจนะคะแต่ที่ไม่เข้าใจวันนี้ก็คือว่าพ่อท่านกําลังบอกสายปฏิจจสมุปบาทของผู้บรรลุธรรมแล้วที่เมื่อตัณหาดับใช่ไหมคะเมื่อตัณหาดับแล้วแต่ปรากฏว่าตัวอื่นไม่ได้ดับตามตัวอื่นไม่ได้ดับตามแต่มันเป็นการเกิดแบบที่บริสุทธิ์นะคะเท่าที่ทราบก็คออือนามรูปอะไรอะไรแม้แต่วิญญาณก็ยังมีอยู่สัตว์ก็ยังสัตว์อยู่ แต่ทุกอย่างนี้มันจะอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วไม่ใช่โลกไม่ใช่โลกโลกีที่เขาเป็นอยู่เพราะฉะนั้นสภาพนี้จึงเป็นสภาพที่พ่อท่านกำลังหมายจะให้เราเข้าใจและไปให้ถึงถูกต้องถูกต้อง<ข>ทำให้มันเป็นอย่างที่ว่านี่ให้ได้ขายเป็นที่ว่าให้ได้ทีนี้เราก็ต้องรู้อุปท า, านก่อนเพราะว่าคนเรากว่าจะไปถึงต้องทิ้งทิ้งไอ้ตัวยึดเนี่ยถ้ามันยังยึดอยู่ไม่มีทางใช่ตั้งแต่คุณยึดในกามแล้วคุณก็ยึดในทิฏฐิ แล้วคุณก็ยึดแต่ภาษาไม่มีทางคุณจะต้องถอดถอดนตั้งแต่กามออกไปก่อนทิศเทียออกไปก่อนแล้วแม้แต่ตัวอัตตาของชาวพุทธก็ยังมาติดในคําพูดภาษาอีกเพราะฉะนั้นถ้าถอดตัวนี้ออกไปได้นี่แหละจะเข้าสายที่จะพบกับความแท้จริงที่เราจะได้ค่ะทีนี้อยากให้พ่อท่านทวนตรงนี้อีกนิดนะคะแต่เดี๋ยวให้เพื่อนถามก่อนก็ได้ให้มันชัดเจนตรงอหรืว่าท่านจะเปรียบเทียบฤๅศีกับพุทธ เวลาฤาษีเข้านิโรธเวลาจะเข้านิโรธนี่อะไรอะไรที่จะดับเวลาเกิดนิโรธใช่ไหมคะอะไรจะเวลานิโรธดับไปเนี่ยกายสังขารจิตสังขารวจีสังขารเวลานิโรธคือเวลาเข้าสู่ความเป็นนิโรธเข้าสู่ความ เ, นนเมื่อเวลาจะเข้าสู่ความเป็นนิโรธนี่อะไรดับก่อนกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารอะไรดับก่อนอันนี้เอาของฤาษีหรือเอาของพุทธคะ ของพุทธหรือของฤาษีเนี่ยมันเหมือนกันไหมคะคล้ายกันมากใช่ไหมคะแต่ว่าฤาษีเนี่ยเขาไม่เข้าใจสังขารหรอกเขาไม่เข้าใจกายสังขารวิจีสังขารจิตสังขารเขาไม่เข้าใจเขาเข้าใจกรรมเขาเข้าใจกรรมแล้วมันก็ไม่ตรงมันไปอธิบายตรงกับกรรมได้แต่ว่าเวลาออกไม่เคยตรงเวลาออกมันจะเกิดคือมันจะฟื้นมาเวลาออกมันจะฟื้นเขาออกเขาก็เหมือนฟื้นเหมือนกันออกจากนิโรธ เขาก็ออกมาก็จิตฟื้นก่อนจิตสังขารหรือจิตที่จริงเขาทำไมไม่ได้เรียกจิตสังทำไมไม่ได้เรียกจิตตะกรมเรียมโนเรียกมโนท่านท่านเรียกจิตสังขารท่าไม่ได้เรียกมโนกรรมแต่เขาไปพูดมโนกรรมเขาไปพูดมโนกรรมว่ามโนกรรมเกิดก่อนแล้วก็แต่ที่จริงไม่ใช่จิตสังขารจิตสังขารแล้วก็ค่อยเกิดกายสังขารแล้วค่อยว่าจิตสังขารเป็นตัวเกิดตามสุดท้าย แล้วพูดเนี่ยจ่าที่บายฤสีว่างไงคะกรณีที่เราไปพบเพื่อทีบายว่าอะไปเวลาจิตมันเกิดก่อนเวลาออกนี่จริงแต่เวลาจะเกิดกายจะเกิดวัจีเนี่ยกายกรรมหรือวัจกรรมเนี่ยมันไม่แน่เวลาคุณออกมาจากนิโรธแล้วนี่หลับตาคุณออกมาจากนิโรธแล้วนี่กายคุณจะเคลื่อนก่อนเป็นกรรมประกายกรรมกระดูกกระดิก หรือว่าจีกรรมคุณจะพูดก่อนไม่แน่คุณอาจจะยังไม่กระดู ก, กระดิกตัวเลยเอนะ้ำไม่กินน่อยคุณก็ออกว่าจีก่อนก็ได้ใช่มมันหิวน้ำอะ่ะใช่ไหมจิตมันออกมาแล้วละจิตมันบอกมันจะกินน้ำมันก็บอกมาเป็นภาษา ก็จิตมาก่อนแล้วก็วาจาก็คือขอน้ำท่านั่งที่กายมิ่ยังไม่ขยับหรือไม่พูดยังไม่พูดกายกระดิกก่อนแล้วค่อยว่าจีตามหลังก็ได้ไม่เที่ยงไงกรรมแต่ของพุทธนั้นเที่ยงแน่นอนกายสังขารเกิดตามเกิดตามจิตสังขารแล้วว่าจีสังขารเกิดตัวสุดท้ายอืไม่มีดิ้นไม่มีดิ้น ซึ่งพ่อท่านบอกว่ามันไม่ใช่อวจีสังขารในสังกัดป่าเจ็ใช่ไหมคะมันคนละตัวหรือเปล่าคะอวัจีสังขารตัวนี้ตัวใหม่ที่คุณจะออกไม่ใช่วจีไม่ใช่ในสังกป่ใช่เป็นตัวท้ายสุดเลยใช่มันจะออกมาเป็นวจีกรรมตัวท้ายสุดจากการผ่านกระบวนการมาดับแล้วจะสังขารใหม่ดีไม่ดีก่อนก่อนคุณจะเป็นวจีกรรมเนี่นะเอดเดีพูดอย่างงี้นะเอาเข้าจริงคุณไม่พูดออกอย่างนั้นเต็มเต็ม ก็ได้ใช่ไหมบัจจีสังขารน่ะมันจะไม่เคยกับยังไม่เคยครัเพราะท่านบจีไม่เคยเคยทั้งนั้นแหละแต่คุณอ่านไม่ทันอ๋อแล้วกันทุกคนน่ะเคยทุกคนน่ะเดี๋ยวปัด่าสินี่นะไม่ค่ะในสภาพเข้านี่รอดหรอนี่คือวจีสังขารมันบอกเดี๋ยวปัด่าสินี่แต่ว่าจริงจริงเออดีแล้วล่ะไม่ดาสินี่ S <S> <S นั่นหมายถึงว่าท่านอธิบายมันก็ไปอย่างนั้นได้ใช่ไหมบางทีมันก็อีกขรั้งสุดท้ายก่อนจะออกรุ่นว่าเป็นวัจจิกำจริงๆเนี่ยบางทีก็ไอตัวอะไรก็แล้วแต่มันมาเอ ด, าด่าหรือบางทีนี่ไม่คิดจะด่านะอพอเอาจริงๆสัดแรงเลยก็ได้ใช่ไหม ถ้งั้นพอท่านหมายความว่าเราไม่ใช่ฤาษีนี่ไม่ใช่ว่าจะอยู่ในภพแบบเขาเราก็อยู่ในกายกายสัมผัสกายนอกกายเนี่ยเข้ามาในกายเราจะมีพลังความรู้มากกว่ากันการจะจัดการกับจิตของเราก็เก่งกว่ากันเยอะคนละเรื่องเลยอันนนท์เขาทําไม่เป็นหรอกที่พูดนี่เขามีตะกรรมอย่างเดียวเขาไม่รู้จักสังขารข้างในค่ะแล้วที่พอท่านพูดอยู่ตอนหนึ่งบอกว่ามันไม่ใช่ ว่าจีสังขารในสังกัปเจดอันนั้นคืออะไรคะก็มันประจิกรรมดังนั้นมันไม่ใช่วิจิสังขารในสังกัปเจดของเขาอะ่ะแต่เขารู้ว่าจีสังขารในสังกัปเจดก็จิตดีดิคั่กระบวนการสังกัปเจดก็เจ๋วดิงั้นหมายความว่านั้นเป็นยูนิฟีเขาไม่รู้ใช่ไหมคะรู้ไม่รู้หรอกยืนยันได้เลยว่าคุณไม่รู้ค่ะค่ะยืนยันได้เลยว่าคุณไม่รู้สังกปเจดเนี่ยยืนยันได้เลยถ้าคุณรู้คุณจะอยากบอกรู้ไหมมันสําคัญค่ะ ตรงนี้เนี่ยสำคัญเป็นกระบวนการของมณสิการในมูลสูตรมูลสูตรมีฉันท่าเป็นมูลมีมนฑสิการเป็นแดนเกิดเพราะฉะนั้นคุณจะให้เกิดพระอรหันต์คุณจะให้เกิดใช้ขับบุคคลคุณจะให้เกิดอรหันตตะบุคคลคุณก็ต้องทํามนฑสิการเป็นมันสําคัญมากค่ะคุณมนฑสิการไม่เป็นไม่ได้หรอกซาโตลิค่ะ พญานาวิชาสูตรถึงบอกต้องครบสัตบุตรให้บริบูรณ์จะได้ฟังทำบริบูรณ์ศรัทธาจะบริบูรณ์เมื่อศรัทธาบริบูรณ์ก็เท่ากับคุณต้องเข้าใจโยนิโสมนัสิการบริบูรณ์คุณจะทําใจในใจเป็นเพราะมันฟังมาบริบูรณ์แล้วมันก็ศรัทธาความรู้มันก็บริบูรณ์มันก็โยนิโสมนัสิการบริบูรณ์คุณไปปฏิบัติสติสัมปชัญญะมันก็จะบริบูรณ์สํวนอินสี่หกมันก็จะบริบูรณ์สุจริตสามันก็จะบริบูรณ์ สติปัะญาสีมันก็จะบริบูรณ์โพชฌงเจมันก็จะบริบูรณ์วิชาและวิมุตตก็จะบริบูรณ์ด้วยประการละชันนี้เห็นไหมออ oh. ดังแล้วนะครับอ้าว ค, คนอื่นใครต่อครับผมชื่อหินแก่งครับขอท่านครับอ้าวก็ตอนนี้ก็อายุ 5.2 ปีแล้วครับอ้ ก็เท่ากับยิมฮ่าครับเกิดมาไม่รู้จักพ่อท่านก็กินกินเนื้อสัตว์มายี่สิบปีพออายุยี่สิบก็เลิกโอแล้วตอนนี้ก็กินมังก<ล> ไ, ได้สามสิบสองปีแล้วเลิกมาได้สามสิบสองปีแล้ว <c oughs> ก็เช็คตัวเองว่าหลุดหรือยังเรื่องเนื้อสัตว์เมื่อก่อนก็เคยติดมากนะครับชอบเ <simples. S 1> นื้อชอบกินสดขาวเนื้อนมไข่กินเต็มที่นะนั่นนั่นพอรู้จักพ่อครูก็เลิก อเลิกปี25มมอยยี้าอัตมานี่ยังเคยเลี้ยงเพื่อนด้วยไปทําอัตมานี่ยทำลืมชื่อแล้วไอ้ญี่ปุ่นมันทาําปลาดิบมะสุ ช, <า>ชิครับอ่านั่นะยังไปซื้อปลามาทําประดิบซื้ อ, อบะชนเนื้อบะชนเนี่ยทาได้นะประดิบมีวิธีทําย่ให้ข่าวครับ เลี้ยงเพ ja. ื然然่อนเนี like ่ยเคยทําเลยก็ผมก็พยายามไปซื nah ้อทีโบนมาจากไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตมามาย่างไอ้เพื่อนมันกินค่อยๆห่อแล้วต้องซื้อเกลือต้องซื้อเกลือป่นที่เข้ามาเนี่ยนะค่อยๆย่างค่อยๆโรยเกลือป่นโอ๊ยกว่ามันจะสุกกว่ามันอเลี้ยงเพื่อนอ๋อเจะาปะกุนสมัยก่อนนี้นึกถึงตัวเองเก่าๆแล้วโอ้โหชีวิตชาติชั่วมันทําไปแต่สารพัดไม่รู้เลยว่ามันอะไรกันนะกันนะ เมื่อประมาณปีส wow. ี <Reserve> uh ่เ huh. ก ah ้าหรือห้าศูนเนี่ยฮะผมก็ออกไปข้างนอกครับออกไปก็ได้ไปเช็คฮะไปเจอสถานที่ที่มีเขาใช้บังคับให้เรากินเนื้อสัตว์เนี่ยหลายที่หลายที่หลายทั้งร้านอาหารทั้งอะไรทั้งวัดทั้งอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไปลองกินเขาครับผมไม่ได้มามายั้งนะฮะลองแต่กินยังไงก็กินไม่ได้ฮะตอนนี้ก็สรุปว่าเนื้อสัตว์เนี่ยรู้สึกว่าเราจะหลุดครับเออก็ดีมันกินไม่ได้อ่า แต่เรื่องขนมนี่ก็ใช้เวลาต่อสู้13ปีฮะโอ้ <c oughs> ยังดีเน่ยสู้13ปีหลุดแล้ววอ13ปีก็รู้สึกว่าหลุดเขาท่ามันก็พยายามาหาอ่านี่ยัง<า>ขนมยังติดอยู่เยอะนะอันเนี้ยครับอ่าที่หลุดเพราะว่าพยายามค้นคำสอนที่พ่าครูสอนเรื่องอาหารทั้งมดเนี่ยมาท่องมามาอ่านนะใช่โพชเนมตัญยุตาเนี่ยอปนักปฏิปทาสอนไว้ทุกเล่มทุกที่เนี่ยผมเอามาอ่านหมด เพราะจะได้มาฝึกเรื่องกินได้แต่ก่อนนี้คุณก็รวบรวมจังเลยรวบรวมไที่อาตมาพูดไว้ที่ไหนแต่การฝึกมันก็ไม่ได้มาอ่านจิตละเอียดแบบที่พระครูสอนครับอ้าวทำไปเนี่ยเราก็ฝึกไปได้รู้ปริยัติด้วยไคิดว่าอีกประมาณสักสิบยี่ิบปีคงจะมีอะไรมาบอกให้ฟังว่ามันเป็นไปถึงขั้นไหนครับอ้าวจะรอครับจะรอฟังอย่าให้นานปานนั่นก็แล้วกัน อ้าวใครอีกที่ยกมือก่อนบอกให้ยกมือก่อนแล้วไมโครโฟนจะเดินไปถึงมือจะได้ไม่เสียเวลาใครไม่มียะพลาดมหานักบวชนะนี่เพิ่งสามสิบห้าสิบเก้าสมสิบห้ายังมีเวลานี่เพิ่งสิบเก้าสามสิบห้านักบวชให้สี้ยงี่สิบนาทีอ้าวเอาเลยเหรอเอายี่ส้า 25, ได้ยี่บ้ากัน ถ้าเอาตอนนี้ก็ได้ยี่หานี่มันสามสิบห้าเอาเลยเอาสิกมาตจองไม้ถ้างั้นเอาไม้ไปให้สิกรรมาตคารวาตอนนี้ไม่ค่อยมีใครอยากพูดละเอาาำรบเอาก่อนก็ได้ไม่เลยไมโครโฟนมีในมือแล้วเวลามันไม่หยุดนะนาฬิกามันก็ไม่ตาย น <bil ans uit> ักการพ่อครูท่านอุปชาท่านสมณะครูประคุณเจ้าโอกาสบันเตกรูปการเพื่อนแต่ท่านดิษฐ์ทุกคนค่ะวันนี้พุทธชีวศิลป์นะคะอ่าพ่อครูอธิบายทั้งปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเอาเพลงใกล้ปากหน่อยเสียงหฝนตอนลงนี้ก็เป็นเรื่องอัตราค่ะ อตาสา3ตอนแรกก็อธิบายทั้งปฏิจจสมุปบาทตั้งกตเหตุเกิดเกิดจากความโง่อาวิชาถ้าไปสังขารต่อว่าชอบชอบก็เป็นเทวดาเทศถ้าไม่ชอบก็เป็นผีเป็นนรกแต่เกิดว่าสมมติในงานเจที่จะถึงนี้นะคะอาจจะมีข้าวันไก่ขายถ้าเราไปชอบข้าวันไก่ไก่เกยรอแม่ยังไปติดไก่เกยอยู่ได้ ถ้ามันไก่เจคิดว่าเออต้องตั้งตระบ่าว่าจะไม่กินเข้ามันไก่เจนี้นะในงานเจนี่นะก็ในงานเจนี่จะไม่กินแต่ว่าเออก็ตั้งได้ไปวันหนึ่งพ็ไปทํางานก็ไม่ปรุงแต่งสังขารเพราะเราตั้งใจที่จะทํานี่แล้วก็ไม่เป็นสังขารของมันถ้าเกิดสังขารเพราะว่าตัวชอบนี่เป็นราคะมูลที่พ่อครูอธิบายว่ามีทั้งราคะมูลทั้งโทสะมูลนั่นเอเป็นชอบนี่มันก็เป็นราคะมูล แล้วก็ผ่านไปได้วันหนึ่งสองวันแล้วก็ไม่ไปดูมันแล้วก็หั่นผักไปลือล้างชามไปหรือว่าเช็ดชามไปไม่ไปดูมันก็มันไม่ไม่ไม่ไปเจอผักส่ามันก็ไม่ปรุงแต่งต่อแต่วันหนึ่งก็เดินผ่านไปวันที่ห้าวันที่ห้าไปเห็นอีกโอ้โหมันก็ขึ้นมาอีกเอ้มันยังไม่ดับไปนี่นาแล้วกลับมาทํางานต่อก็ปรุงแต่งใหม่วันที่ห้าแล้วงานเจมันมีเก้าวันอะ เก้าวัลยอีกสี่วันแล้วถ้าเกิดไม่กินไม่ได้กินนะเดี๋ยวมันจะหมดงานเจแล้วนะ <c oughs> ววก็ไปเช็ดชามอีกอันนี้มันเป็นมันเป็นสังขารสังขารที่ที่จะปรุงให้เสพสมใจไม่ได้ไม่ได้เป็นสังขารที่จะ <c oughs> ไม่ใช่สังขารจะปะหารไม่ใช่พี่สังขารไม่ใช่เป็นไม่ใช่อภิสังขาร น, <า>นี่มัน<า>จะสังขารมันจะประหารเราพอคูพอคูช่วยช่วย ช่วยช่วยแก้ไขด้วยค่ะไม่ได้เป็นปุญญาพิสังขารใช่ไหมคะไม่ได้เป็นปุญญาพิสังขารไม่ได้เป็นบุญไม่ได้ชําระเลยมันจะชําระเราเอาให้จริงสิทําไมมันลอยมาอยู่ในใจของเราไม่เป็นอันทํางานนั่นแหะต้องพิจารณาซ้ำๆบ่อยๆไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เป็นยานที่มันเป็นเห็นโทษเห็นภัยคือพังคาวิปัสสนาญาณมันไม่ได้เป็นยานที่เห็นโทษเห็นภัยไม่ได้เป็นมุนจิตุ กรมกรมตยะยตกรรมยะกรรมตะยามุจโตุกรรมยะตะยานอันนี้พิจารณาดูซิว่าเราติดอะไรชอบอะไรชอบชอบน้ำจิ้มมันหรอถ้าไม่มีน้ำจิ้มราดแล้วมันจะเป็นยังไงเอหรือว่าถ้าเกิดว่าอน้ำจิ้มแล้วเป็นน้ำจิ้มยังไงที่มันมีรสเผ็ดหรือว่ามีมีหวานนําพิจารณาไปสี่รสติดหวานหรอ เาาาขาครูบอกว่าให้ลงไปถึงที่เกิดมันเหตุเกิดจากสมุทรไทยตรงไหนว่าติดตัวหวานหรือว่าติดตัวเผ็ดแล้ไปเินนาลงไปอีกว่าข้าวมันไก่มันก็คือข้าวใช่ไหมแล้วมันไก่เจนี่มันก็คือโปรตีนชนิดหนึ่งถ้าเกิดการินข้าวกับถั่วอิ่มไหมกินข้าวกับถั่วได้ไหมเอาจริงหรือเปล่า ถ้าทำได้ไปกินข้ากวกะทั่วอิ่มหรือเปล่าถ้ามันถ้ามันกินอิ่มมันแทนกันได้มันมันทดแทนกันได้ละอา้าวกินอิ่มไปมื้อนึงอพรุ่งนี้มาเจอใหม่อีกแล้วอันนี้ผัดสายที่มันเป็นเหตุที่มันทำให้เกิดอยู่เรื่อยๆมันไม่ได้ทำให้เกิดการลดละต้องพิจารณาลงไปอีกว่าติดติดอันนี้ติดตรงไหนจริงๆ ในรูปแบบของมันทั้งหมดเลยใช่ไหมถ้าทําลายรูปแบบเราจะกินลงหรือเปล่าเอาน้ำเต้าหู้ใส่ลงไปจะกินลงได้ไหมถ้าทํำลายรูปแบบ <c oughs> นี้ก็จะเป็นถ้าเกิดว่าจะเป็นปฏิปฏสังขานุวิปาาัสสนาญาณแซมลงไปอีกอาจะมันจะไปปรุงแต่งเพิ่มให้มันเป็นเป็นญาณที่มันออกหรือปรุงแต่งเพิ่มให้มันเป็นญาณที่มันเสร็จ เสิหนักเข้าไปแล้วมันเกิดตัญหาจากการที่เราไปดูอีกละปัญหาหก mm hmm. กระทบตาหูจมูกดิ้นไก mm hmm. เน่เห็นรูปเห็นรูปเห็นรูปของมันแล้วมันเสพเข้าไปพอกระทบตากระทบปุ๊บมันเนื่องเข้าไปในใจเนี่ยไปปรุงแต่งกลมต่อก็เป็นจิตในจิตอีกพอเป็น <c oughs> ถ้าเราไม่จัดการกับในจิตที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นเอาให้เอาให้มันตายมันก็ไม่ชลาไม่มรณนะ ก็เกิดการมันก็เป็นตัวที่ตัวอะไรกับ <c oughs> กามุกเป็นอุปทานที่มันเป็นพลังงานเป็นพลังงานศักดิ์เป็นอุปทานที่มันไม่จมลงไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอเหตุผัดสะมันอาจจะเคลื่อนตัวขึ้นมาก็ได้เป็นพลังงานจนแล้วเราจัดการกับมันได้ง่ายกว่าที่ จะให้มันตกหรือว่าไปกดข่มมันให้มันไม่เกิดขึ้นมามันก็จะจัดการมันยากกว่าที่จะเห็นผัสสะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นการกระทบที่ได้ผลที่เป็นเกิดนิโรธทางพุทธมากกว่าที่จะไปนั่งคิดเอานึกเอาที่เมื่อกี้พระครูบอกว่า กายสังขารกายเกิดก่อนหรือจิตเกิดก่อนหรือวจีสังขารเกิดก่อนแต่อของพุทธนี่มันเกิดทำงานร่วมกันเสร็จเรียบร้อยเลยเพราะว่ามันจะเกิดนิโรธได้จะมีการกระทบผัสสะผัสสะแล้วก็จะเกิดกายรู ป, ปกายนามกายก็จัดการตรงนั้นจากทวารทั้งหแล้วก็ ให้ hey, ถ้าทำถ้ายเมื่อกี้พูดถึงตอนท้ายถึงเรื่องยึดถังเป็นศีละพจน์เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติการขัดเกากิเลสถ้าได้มาจากครูบาอาจารย์ได้มาจากประเพณีไปยึดติดจนทรไปยึดติดทำแล้วไม่เกิดศีลเกิดพจน์อะไรก็ไม่ใช่เป็นของพระทธเจ้าก็เป็นการทำตามประเพณีมาเรื่อยๆ แต่ถ้าทำแล้วมีการลดละถูกตัวถูก ต, กตนเกิดสมาธิทิฏฐิจริงๆแล้วเราได้มักได้ผลจริงๆอันนั้นให้ปฏิบัติต่อไปอันนั้นเป็นตัวยืนยันว่าเราปฏิบัติได้ได้มักได้ผลส่วนตอนท้ายพูดถึงเรื่องอัตตาอัตตาสแล้วอั ต, ตาวาทูปทานพูดถึงเรื่องอุเฉทิฏฐินิรัตอุเฉทิฏฐิพวกนิรัตตาพวกที่ไม่มี ไม่มีไม่มีของจริงมีแต่วาท้าที่พูดว่าไม่มีตัวตนแต่พูดพูดไปเลื่อยเปื่อยแต่ว่าปฏิบัติไม่ได้เราสรุปเท่านี้ค่ะพ่อครูอขอข อ, ขอากาบครับโอ้โหพระองฝนมา <c oughs> ถึงนี่เลย <c oughs> วันนี้พ่อครูพูดสีนะ่เรื่องนะเรียใหญนะ่เรื่องแรกคือ ว่าครูบอกเรามาเรียนรู้เรื่องวิญญาณกันนะจากทวารหกนะท่านก็สอนเรื่องการอ่านนามรูปนะเรื่องเวทนาสัญญาเจตนาภาษามนศิการนะแล้วก็มหาปุรูปตสี่อุปัปปายรูป 24, นะที่นะก็อธิบายเรื่องของการปฏิบัติโอ้โหถ้าไม่ตั้งใจฟังเนธอาจจะมาว่าเสียดายมากเลยนะวันนี้เน พระครูอธิบายละเอียดมากท่านบอกอะไรนะเฟ ร, รมเท่าไหร่นะภาษาภาพยนตร์นะร้อสิบเฟรมต่อวินาทีนะีคือช้าๆอธิบายแบบเอานามาทํามาจับให้ดูเล่ น, นะอะไรเนะ่คือเอามาเหมือนกับเออนี่ไงอย่างนี้อย่างางี้เอาของที่ไม่มีตัวตนมาอธิบายเราให้เราเห็นแบบชัดๆเจนๆอย่างเงี้ยนะกายในกายเป็นยังไงเออจับ นำให้เป็นนามธรรมนะอา้าวมาเรียนรู้วิทนานะมันสุขมันทุกยังไงจิตในจิตเป็นยังไงแล้วก็มันตัดกิเลสในตรงนี้แหละนะถ้าเราขัดละกิเลสมันก็มันทําให้เราทุกข์ไงเพราะฉะนั้นประเด็นอยู่ที่ว่าเรากล้าตัดกิเลสตรงนี้ไหมตรงที่พรินาจิตตัณหาที่เกิดขึ้นนะพระครูที่บานนี้ก็จะบอกเลยว่าถ้าเราตั้งศีลปฏิบัติปานได้เนี่ยมันก็ตัดกิเลสตรงนี้ได้นะ ถ้าตัดกิเลส ต, ตรงนี้ได้กําจัดกิเลส ต, ตรงนี้ได้ท่านเรียกว่าโยนิโสมนัิการถ้าเราจับประเด็นตรงนี้ชัดๆเนี่ยรู้ว่าโยนิโสมนัิการคือตัดกิเลสได้ตรงนี้ตรงจิตได้จิตจับอารมณ์ตรงนี้ให้ได้แล้วก็จะได้ประเด็นนี้นะอีกประเด็นหนึ่งคือในยานวิปัสสนาญาณหเนี่ยนะสิ่งที่พ่อครูในพงังคันวปัสสนาญาณเนี่ยท่านพ่อครูก็บอกอที่ะเลดว่า เราคอยว่าคือธรรมาก็จับอารมณ์เนียเออกิเลสที่เราเสพเนี่ยเราคอยว่าเออมันน่าจะได้นะแหมเดี๋ยวจะได้กินนี่นี่เดี๋ยวดีได้เห็นนี่นี่เดี๋ยวจะได้ฟังนี่นี่คือมันจะรอคอยถ้าจะจับอารมณ์ได้นะเวลานี้จะได้กินนี่นี่เวลานี้จะได้ฟังนี่นี่เวลานี้จะได้อารมณ์ีนกิเลสที่เสพเนี่ยมันต้องได้ต้องมีทั้งเป็นไงนะท่านก็บอกว่าพี่นาที่ว่ามันไม่มีก็อยู่ได้ไม่ตายหรอกเออสะใจดีธรรมะว่ากึศ สภาวะมันก็รู้สึกเออจับอารมณ์ได้ว่าเอาเอเราเนี่ยรอคอยเหมือนว่าครูพูดเลยเหมือนกับเอากีเดตเรามาฉีกหน้าให้ดูอะนะแล้วก็เธอก็บอกว่าทำอย่างนี้แหละนะพี่นาอย่างนี้แหละวิริพัฒนามันก็จะลดลงมันมีนความจําเป็นนักหรือที่ต้องมีสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นนักหรือเลิกสถียรได้ไหมโอ้โหเน้นมากเลยนะคืออาตมาก็รู้สึกว่าโอ้โหประเด็นที่อาตมาต้องจําปุ๊บขเข้าไปเลยว่ามันจึงเป็นอะไรเออเป็นคำพูดที่เป็นเหมือนคาถาที่แบบ ตัดหัวกิเลสไปเลยถ้าเรามีประเด็นนี้นะคุณไปคาถาเนี้ยคุณทำไปเลยนะเลิกสถทีนะทาจาก็บอกว่าอธิบายเรื่องพยะตะตูปัฏฐายาอิธิโายานนิพพานนิพิทายานมุนจิตุกรรมั ญ, มญอะไรนะรนุวัตสนาญาณกรรมยามนอ่น่เป็นคือสุดท้ายมันก็ต้องปล่อยวางด้วยปัญญาปล่อยวางด้วยความรู้อันนี้ให้ชัด เราต้องปล่อยวางด้วยความรู้ปล่อยวางด้วยปัญญาไม่ใช่ปล่อยวางแบบลือดรือถือหรือว่าเอ้ยวางรือหรืหรื อ, อ, อหออ ร, อออ ร, รือหรือหรือหรือหรือหรือหนือหรือหรหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหราอหรือหรือหรื่องกกรือหรือหรนะือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรือหรอยรรืออหรือหรรือหรืายรือือหรืออหอนะรืออหรือหรหรือหรือหรือือหรืรอหอหรอหอร ก็ฟังไม่รู้กี่ทีละแแต่อกว่าฟังทีไรก็แต่บก็ได้ประโยชน์นะก็ตามมาตามอารมณ์เราแล้วก็ฟังพ่อครูไปด้วยเนี่ยจะได้ประโยชน์มากเรื่องนิโรธเรื่องนิโรธเนี่ยวันนี้ก็เข้าใจมากขึ้นว่าพ่อครูบอกเลยว่าเรารู้สังกฟฟัปปะเจตตัดกิเลสที่สังขารในวจีสังขารคือสังขารที่เป็นกิเลสคือกิเลสเปนโผล่จะโผล่หน้ามาแล้วเนี่ยเอาตรงนั้น ตัดที่ได้ก่อนอย่าให้มันออกมาทางวาจีกรรมกายกรรมเด็ดขาดเออตรงนี้จะ่าจับจัดไปอันนั้นอันนั้นเปคำพนันะไม่ให้มันออกมาเปวิคำพนันหารแต่วิปัสนาครับถ้าวิปัสนาแลว้ววจีสังขารเนี่ยมันจะเป็นมันเป็นสังขารสําเร็จมันผ่านด่านกระบวนการของปัญญากระบวนการของเจโต กระบวนการพลังงานบวกพลังงานลบมันผ่านกระบวนการนี้เสร็จแล้วมันก็เป็นสําเร็จเป็นวัตจีสังขารเป็นสังขารที่พร้อมที่จะเป็นพลังงานที่จะออกไปเป็นกายสังขารเป็นกายสังขารเป็นไม่ใช่กายสังขารออกมาเป็นกายกรรมวัจีกรรมออกมาข้างนอกมาเป็นกรรมสังขารมันจะออกมาเป็นกรรมมันพร้อมอยู่แล้วมันจะออกมาเป็นกรรม ไอ้ที่พร้อมจะออกมานี่มันยังอีกทีหนึ่งเลยว่ามันจะออกหรือไม่ออกอย่างไรเพราะฉะนั้นในขณะที่มันผ่านนิโรธแล้วจิตเกิดก่อนแล้วกายเกิดตามมาแล้ววิจิสงคามถึงเกิดทีหลังเนครับอ่ามันก็จะอีกทีหนึ่งโดยที่เรียกว่ามันเป็นวจีสังคามที่มันจะเกิดวจีกรรมที่อีกทีหลังเพื่อนเลยว่าแล้วแต่ว่ามันจะออกมามันไม่แน่ว่าวิจิสงคามอย่างนี้มันเวลาออกจิตมันอาจจะสงวนไว้หรือมันอาจจะ มีเพิ่มปรุงแต่งเพิ่มอะไรก็ได้ตามนนควรครับอันนี้เข้าใจเรื่องฤาษีมากขึ้นนะว่าฤาษีเนี่ยคือดับเข้าใจผิดนะว่าไอ้วัจีสังขารคือวจีกรรมกายกายตังขานคือกายกรรมจิตตังขานคือมโนกรรมซึ่งมันคนละเรื่องกรรมกับสังขารมันคนละเรื่องกันอันนี้เราก็เราจะแยกได้ชัดเจนว่าเออมันไม่ใช่ซึ่งเราก็เราก็เออ ประเด็นมันมีรายละเอียดมากแต่ว่าออศึกษาธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะแล้วก็พรอครูก็พูดถึงเรื่องตัญหาตัญหาก็ต้องกําจัดให้บทสัตว์เดี๋ยวสรุปให้ตรงนี้นิดนึงว่าฤาษีไม่มีการรู้เรื่องของกระ บ, บวนการของสังกปัตรเจ็ 7. เขาไม่รู้เรื่องหรอกกระบวนการของสังกปัตรเจ็เขาไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้เรื่องของสังขาร เนี่ยจิตสังขารทั้งหมดหรือกายยวิญยาณหรือกายยสังขารก็ได้อันนี้ถ้าจะพูดกายสังขารก็คือเอาองค์กว้างจิตสังขารก็คือเอาองค์ในเขาไม่รู้เรื่องหรอกสังขารธรรมเป็นอภิสังขารอันนี้เขาไม่รู้เรื่องคือผมว่าคนอธิบายงี้นะผมยังอธิบายวิ่ถศายแน่นอนเพระผมเองเนี่ยโอ้ยมันไม่ง่ายครับเพราะว่าผมเอยังต้องพยายามตั้งใจเลยวโอ้ยนี่ มันต้องแม่นแม่ต้องแม่นแม่จะสับสนรันละเอียดว่างเลยเพราะว่ามันมีรายละเอียดมากเลยผมต้อง note ได้ว่ามันมีตําราอะไรบันทึกไว้เลยที่ว่าเนี่ยไม่มีเลยที่ผมพูดนี่มันมีตำราในมันไม่มีในพระตรปิฎกไม่มีรายละเอียดขนาดนี้ไม่มีท่านธรรมทินนาอธิบายไว้ก็แค่นั้นนะกระตอบเฉยๆต่อวิสาขอุบารศกว่าอะไรเกิดก่อนเกิดตามมาเกิดหลังแค่นั้นเองถ้าไม่ได้มาขยายความว่าอะไรมันเป็นเพราะเหตุอะไรมันถึงเกิดอย่างงี้ไม่มี แล้วก็ผมก็บันทึกตัวเองไว้ว่าคือได้เห็นเราอธรรมบานี่ต้องฟังให้มากจริงๆคือถ้าไม่ฟังให้มากเนี่ยไม่บริบูรณ์ครับไม่บริบูรณ์แน่นอนเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดเล็กน้อยซึ่งเราไม่เข้าใจปุ๊บเราก็ไปไม่ถูกใช่ไหมครับผมคิดเออทำไมเราไปไม่ถูกเออเราไม่เข้าใจมันก็ไปแบบดุมๆไปแบบตามมาเห็นตัวเองอ่ะแล้วมันไม่ถูกไม่ถูกมันก็ไม่สามารถที่จะเอากีเดตคลายลงไปได้มันก็ตันอยู่ค่อนอย่างนั้นน่ะเออผมก็ได้เข้าใจอะไรมากขึ้นว่าก็เลยนวดว่า ต้องเรียนธรรมะอีกมากคือต้องฟังจากว่าครูอีกมากนะต้องไปปฏิบัติให้มากด้วยเอาแต่รู้ๆๆ้ปฏิบัติไม่ได้เดี๋ยวปนกันแยะเละหมดครับรู้มากยากนานครับนั้นก็เลยต้องฟังให้มากแล้วก็นำไปปฏิบัติให้ได้จริงๆนะอันนี้อุปทานสี่ก็พ่อครูอธิบายประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแก้ทิฏฐิซึ่งชาวอสกจะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะนะพ่ะครูอธิบายว่าเราต้อง เปิดใจรับด้วยใจเป็นกลางอันนี้คือเวลาเราเราไม่ชอบคนนี้ใช่ไหมพอพูดดียังไงเราบอกอไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้น่าฟังเราไม่เคยฟังไม่ผมันก็ยึดว่าไอ้ควาเห็นเราถูกเราคิดว่าคนนี้พูดผิดไว้ก่อนเนี่ยมันก็ไม่เปิดใจเป็นกลางละคือจับอารมณ์ตัวเองได้ว่าต้องมีมันจะแก้ปัญหาด้วยการปรัตโกสะโยนิสโสมนัสิการและก็เทียบกับความรู้ที่เราเป็นตางทีเราก็ไม่เทียบนะ ปล่อยมนเถอะไม่ต้องไปฟังแล้วคนนี้ฟังมึงไงมันก็เท่านั้นเลยว่าทิ้งเลยครับทิ้งเลยคือเห็นหน้าบุคคลแล้วก็อคติก่อนแล้วก็ตีทิ้งไปเลยอันนี้มันทําให้เราเนี่ยไม่พัฒนาตัวเองทิฏฐิเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะอันนี้ก็คือสิ่งที่สรุปว่าศีลพรตเนี่ยประเด็นที่สําคัญก็คือถ้าเราเป็นสัมมาเนี่ยยึดถูกเนี่ยพ่อครูก็บว่าสาธุนะคือเราปฏิบัติได้ถูกแต่ถ้าเรายึดผิดเนี่ย ท่านก็บอกสวยทุ <นะ S 2> สวยทุภาษาก็บอกทุดไงสวยทุดตัวฮาซาอูดอเด็กครับนั่นแหละครับฝนตกพังไม่ชัดสวยทุดวยทุนะก็คือว่าเราก็สวยไปยอันนี้สวยทุดครับไม่ได้ประโยชน์อะไรนะสรุปความว่าวันนี้เนี่ยความจริงแล้วถ้ามีเวลาไปฟังทบทวนได้นะก็ดีแต่ครับที่ขอนจะมานะ ที่ไปฟังอ้าวอันนี้เราฟังไม่ถูกแฮเราเพี้ยนนะคือฟังวันนี้เนี่ยไปฟังอีกทีอ้าวเราฟังเพี้ยนนี่นะเพราะครูที่บ่ายนี้เราเข้าใจไปอย่างหนึ่งก็ไม่ถูกเหมือนกันดังถ้าเราฟังบ่อยๆรอบทวนบ่อยๆแล้วก็ไปทบทวนสิ่งที่เราฟังแล้วเนี่ยแต่มาว่ารายแทงที่จะปฏิบัติทำก็จะดีขึ้นแล้วเราก็ลงปฏิบัติจริงในกิจกรรมจริ ง, รงแล้วก็ตั้งศีลตั้งข้อปฏิบัติตามศักยะที่ตัวเองมีอยู่แต่มาว่าเราก็สามารถที่จะลดละกิเลสได้ดีอแตามาก็สรุปไปเพียงแค่น ค่ะกลับพอกาศพ่อครูค่ะเจริ่นถามเพืทุกคนนะคะฟังวันนี้โอ้โหพ่อครูอธิบายละเอียดลึกซึ้งมากเลยคะเรื่องของนามธรรมสิ่งที่ประทับใจก็คือเรื่องของสังขารนะคะซึ่งในช่วงแรกพ่อครูพูดถึงว่าเพราะไม่รู้สังขารนี่วิญญาณชั่วไรต่างๆจึงกำเริมเสริบสามซึ่งพ่อครูได้ยกตัวอย่างคุณทักษิณน่ะนะคะ เพราะว่าเขาไม่รู้สังขารไม่รู้เท่าทันแล้วก็ตามทำตามอํานาจของกิเลสเนี่ยเขาต้องทำชั่วขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยเห็นว่าคือตัวสังขานี่เป็นตัวสำคัญที่สุดในการปฏิบัติธรรมเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เท่าทันสังขารในใจเรานี้นะคะโอกาสที่เราจะทําชั่วนก็จะมีได้เยอะมากนะคะถึงแม้ว่าจะรู้รู้แม้แม้กระทั่งเรารู้เท่าทันถ้าเรามีกําลังพอนี่ เราก็ไม่สามาที่จะหยุดสังขารในใจเราได้นะคะฉันนึกถึงว่ามีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะคุณแม่ก่อนที่คุณแม่จะเสียนะคะพี่สาวก็โทรบอกตอนสามทุ่มตอนนั้นน้าท่วมตอนนั่งเรือออกจากบรานราดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเหนื่อยมากเราไม่อยากไปเราขี้เกียจใจเรารู้สึกเราขี้เกียจใจเราไม่อยากไปนะคะ แเ้าก็บอกว่าไม่ไปไม่ไปได้ไหมเพราะว่ามันมันเบรดึกแล้วนะคะแล้วก็ไปลำบากเ้าก็บอกไม่เป็นไรนะคะล้วก็โทรกลับไปถามอีกรอบนึงว่า เ, เป็นมากไหมอะไรเงี้ยน่าถามเ้าก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรไม่มาไม่เป็นไรแต่ถ้ามาเป็นเพื่อนกันก็ดีพอรฟังค่ะว่ามาเป็นเพื่อนกันก็ดีเราก็เลยตัดสินใจไปะะหาเรือหารถไปก็จะถึงโรงพยาบาลก็สี่ทุ่มกว่านะคะพอเราไปถึง ก็ปรากฏว่าเราตัดสินใจไ ม, ไม่ผิดที่เราปืนตัวเองตอนแรกเราจะยึดอัตราตัวเราเราติดสบายเราไม่อยากไปแต่พอเราไปถึงแล้วเนี่ย อ, อาการหนักมากหกทุ่มคุณแม่ก็จากไปอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งก็ทําให้ได้เห็นว่าอ๋อคือตัวติดสบายตัวติดยึดอัตราตัวตนของเราความคิดเห็นของเราเอาตัวเราเป็นใหญ่เป็นที่ตั้งนี่เราอาจจะพลาดโอกาสดีๆหลายอย่างนะคะเพราะว่คือตัวนิรุธเ อ, อิมมันก็นึกถึงว่าเป็นศักยะใหญ่ของเราเหมือนกัน อย่างวันนี้ก็เหมือนกันนะคะคือเรารู้ว่าที่โรงปุ๋ยเขามีขึ้นปุ๋ยสีรพว่วงใช่ไหมคะเที่ยงอะไรเงี้ยนะคะแล้วโอ้เที่ยงแล้วเหรอขอพักสักหน่อยไม่ได้ใจจะขอพักคือมันพอมันขอพักสักหน่อยดีไหมนะคือคือใจที่มันติดสบายอะ่ะเอาแต่ตัวเรานะคะมันก็ปุ๊บหนึ่งก็ไม่อยากจะไปเลยนะคะแต่พอนึกพอจิตมันคิดขึ้นมาปุ๊บสังขารขึ้นมาเนี่ยก็นึกถึงภาพคนทํางานที่โรงปุ๋ยเข้าทําตั้งแต่เช้า แค่กินข้าวนะคะแล้วก็แล้วเราอะคือกินข้าวก็ใช้เวลาตั้งนานขึ้นสาราใช่ไหมกับเขานี้ไม่ได้ขึ้นศาลาแต่เขาไปกินข้าวไปกินก็เพียงแค่แวบเดียวพอนึดถึงคนที่เขาหนักกว่าเรานี่ใจที่มันจะแบบพักผ่อนใจมันทีจะแบบยึดอัตราตัวเราเออมันก็คลายพอคลายปุ๊บแล้ก็ไปเออมันก็ไม่เห็นตายนะคือเราไป เราไปเห็นแล้วเห็นบรรยากาศคนออก็กเห็นว่าเราตัดสินใจไม่ผิดเพราะว่าคนที่ไปช่วยงานมันก็ไม่ได้มีมากเท่าที่ควรอ่ะนะคะก็ได้เห็นเออคือบางทีนี่ความคิดของเรานี่ไใช่ว่าจะถูกเสมอไปนะไอ้ตัวที่เราติดสบายตัวนี้แหละซึ่งเป็นตัวอันตรายมากเลยสําหรับนักปฏิบัติธรรมที่มันไม่อยากเลื่อนฐานอ่ะนะคะถาเรื่อีกประเด็นหนึ่งที่พรอครูพูดถึงอุปทานทั้ง4ี่นะคะก็มีความรู้สึกว่าเรานี่โชคดีนะโชคดีที่ได้มาเจ อ, เ อ, อผู้ที่สอนให้เรานี่ ปฏิบัติตามมรรคองแปดถ้าเราอยู่ทางบ้านนี่ก็คงจะแบบเหมือนเดิมทําตามจารีประเพณีปฏิบัติธรรมเหรอก็นั่งสมาธิไงนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่นคือปฏิบัติธรรมอย่างที่เราทํางานอย่างทุกวันนี้เขาไม่ว่าเราปฏิบัติธรรมนะคะเขาว่าเรา <c oughs> เราเราพาเลยฮ ะ, ระเราทํางานเอาเวลาที่ <c oughs> ไหนไปปฏิบัติธรรมเขาจะหาว่าพวกเรากำลังโลภโลภลาภงานเราทํางานเนี่ยเรากําลังขี้โลภเนี่ยาภเขาจะหาว่าเงั้ยด้วย ค, คือเขาก็ไม่เข้าใจเราเขาบอกไปทำไมทำแต่ ง, งานล่ะเขาไม่เข้าใจว่าเร า, าการทำงานนี่แคือการปฏิบัติธรรมเพราะว่าในขณะที่เราทำงานไปเจ้า ก, ก็ตรวจวจิตตรวจใจเราไปด้วยจะมันเกิดราคะโทสะโมหิขึ้นมาแล้วก็รู้เท่าทันปรู้เท่าทันแล้วก็ต้องปรับใจให้ได้คือเรียกว่าเราต้องพยายามที่จะจับสังขารในใจเรานี้ให้ได้นะแล้วเราก็จะคือพอเราจับสังขารของในใจเราได้ปุ๊บนี่มันก็แปลกนะกครับเพราะครูคือพอเรารู้ททันสังขารเราโดยเฉพาะสังขารเป็นทางที่ไม่ดีเนี่ย พอรูป้ปุ๊บมันละอายใจอ่านี่แหละเฮลิโอตาปะมันจะละอายใจพลังของเฮลิจนมันขึ้นถึงโอโอตาปะมันกลัวเลยมันไม่เอาค่ะแต่ถ้าเราพอมันสังขารไปก็ไปเป็นตามอําเภอใจเรื่อยเปื่อยมันก็จะเฮลิโอตาปัมก็จะไม่ให้เกิดนะคะมันจะจะเกิดใช่ไหมถ้าสัวเรากิเล่มันเกิดเอาเลยโอตาปัมมันจะเอิเกิดทําไมกิเลสไม่เอกิเลสเกิดเอากิเลสมันเกิดเอาเกิดเอาแต่พอเราตั้งสตินะคะคือทุกครั้งที่เราสังขารนะ ต้รู้ว่าเท่าทันสังขารเปร็นทางดีไม่ดีถ้าเรารู้เท่าทันปุ๊บนี่ตัวหิเดอตะปะก็จะเกิดใบขึ้นนะคะก็คงสรุปประมาณนี้ค่ะอา้าวยี่สิบนาฬิกาพอดีฝนหยุดพอดีไอตอนที่กำลังพูดกันนะ่ะฝนก็เอาจังเลยเนะาะ ก็คิดว่าพวกเราตั้งใจฟังกันจริงๆนะฟังใจฟังตั้งใจใส่ใจในการปฏิบัติในการฟังแลกเอาไปปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติตนะอาตมาว่าเพลเพลเนี่ยอาตมาจะได้อรหันเก้ามันจะได้18รูปก็ได้นะไม่แน่ไม่นอนนะจะได้มาช่วย ก, กันนะเราจะสังเกตได้ในเวลาปฏิบัติธรรมถ้ามันสมาธิจริงๆเนะี่ย มันจริงอย่างพู้เจ้ารับรับทุกอย่างความเห็นแก่ตัวก็ลดลงหายไปความขยันหมั่นเพียรไม่ขี้เกียจก็มันก็จริงมันเลิกขี้เกียจมาด้วยขี้เกียจจนกระทั่งขี้เกียจมันคืออะไรขี้เกียจมันเป็นยังไงมันจะรู้ว่เอ๊ะนี่เราขี้เกียจหรืออย่างนี้ขี้เกียจหรือว่าเราจะหยุดจะพักใจอย่างโน้ี่อะไรนี่หน่อยเราจะรู้ว่าเอ๊ะนี่เราขี้เกียจหรือเปล่ามันจะถามตัวเองได้ตั้งที่เราไม่ได้ขี้เกียจหรอก เหตุมันควรจะพักบ้างแต่แลราก็เอ้ยนี่เราหยุดเลื่อนไปอะไรไอ้เดองเล่นไม่เล่นอยู่แล้วจะไปเล่นนะนัน้นไปเล่นในนี้มันก็มันเลิกเล่นเล่นมันก็มันไม่ไปเล่นทําไมมันจะรู้มันจะมีอุวิภาวะมันจะเข้าใจอะไรเป็นสาระอะไรอะสาระมันเป็นคนประเสริฐ จ, จริงๆนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็ยังมั่นใจว่าทฤษฎีพระเจ้านี่จะหล่อหลอม สรรค่าสร้างคนขึ้นมาให้เป็นมนุษย์ประเสริฐอย่างแท้จริงไม่อย่างไม่ยังได้มากแบรไม้อะไรก็เอาร้อยคนนี่เป็นอรหันต์ร้อยคนนี่ก็ไมประเสริฐแล้วออาไปนอนเอ จ่วยบอกว่าจะเอา อ, อุปกรณ์พวกนี้มาให้ยังไ ง, งไเงียบๆไปเลย เ, <อ>เขาชมขาาวม า, ว า, วาไม่ยังไม่เสร็จแล้วว่าจะสิ้นเดือนนี้มันเลยแล้วนะสองวันแล้วท่านทีรับผิดชอบ